นมตุรัตนตยัตสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรและก็ขออานวยพรกับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในการความธรรมและปฏิบัติธรรมอนาปานสติครั้งที่8 2บสองในวันนี้นั่งตามสบายก็ดีอนุโมทนาที่ได้ตั้งใจกันมาปฏิบัติธรรมนะ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้มันเห็นให้ง่ายชัดๆแล้วนะเดี๋ยวก็โนรูเดี๋ยวก็อะไรอะฮะเอียนเอียนเอนนี่อเมริกาก็ไม่เอียนด้วยนะโอ้พังพินาศเลยอะเราดูว่ามันเป็นเรื่องเรื่องแปลกใช่ไหมไม่ไม่ปแปลกหรอกเป็นเรื่องปกติ ไอคนที่มันสร้างตึกสร้างอาคารที่พายุเอ็นมันถล่มมันก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะต้องพังใช่ไหมเหมือนแับร่างกายเราเนี่ยก่อตัวขึ้นมาเป็นร่างเราพยายามทะนุถนอมกินอาหารดีๆของดีๆนอนหลับดูแลสุขภาพให้หมอตรวจเช็คสุขภาพบ่อยๆเพื่อที่จะให้มันอยู่ต่อเนื่องตลอดไปแต่ทุดท้ายเป็นไงฮะ สุดท้ายก็พังใช่ไหมด้วยอานาจของพายุเอียนนั่นแหละพายุเอียนที่แท้จริงคืออะไรชราพยาธิมรณะเนาะมรอดไม่รอดอ่ะไม่รอ ด, รอดนี่เราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยให้พึงจะหนักนะไอ้พายุเอียนมันยังดีโนรูมันยังดีนะสังเกตไหมตอนนี้ศูนย์กลางอยู่ที่ฟิลิปปิน ความเร็วสองอสี่สบกิโลเมตรต่อชื่วโมงพอผ่านมาสาักสองสามชั่วโมงมันประกาศอีกตอนนี้เคลื่อนออกจากฟิลิปปินส์แล้วกำลังเข้าถูเวียดนามด้วยความเร็วร้อยสี่สิบอ้าวลดลงแล้วเว้ยเดี๋ยวประกาศเลยเดี๋ยวก็ประกาศเลยมันยังดีที่มันได้รับการประกาศของเราประกาศไหมอยู่อยู่มาเลยอะ ของเราไม่ีประกาศไหมไม่มีขันธปัญจกุกในเรื่องขันห้าความเสื่อมสลายความล่มสลายของขันหานี้ไม่ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยเฉพาะเรื่องของความตายแต่สัญญาณของมัจยุราชมีเตือนเราอยู่มัจยุราชจะส่งสารมาหาเราอยู่บ่อยๆผมบนหัวที่ขาวๆนั้นถึงตรู้ไหมนั่นเป็นสารจากมัจยุราชนี่นะมาตมาไม่ได้แช่งนะ วันปลอมที่ใส่อยู่ในปากนั่นแหละเป็นสารจากเทอมัจจุราชแว่นที่ใส่กันอยู่เพราะสายตามันสั้นลงนั่นเป็นสารจากมัจจุราชความเจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆจะเป็นโควิดก็ดีกล้วัดก็ดีกระดูกสันหลังทรุดข้อเข่าเสื่อมล้วนแต่เป็นสัญญาณเตือนจากมัจจุราชมัจจุราชมันส่งสารเตือนมา มันเห็นเราหลงนักหลังนักนัโอ้ดูตารางดูสเก็ตด้วนเลยนะพรุ่งนี้ไปนั่นสายไปนี่เย็นไปนั่นไปนู่นพอสายไปได้งานกลับมาถึงสายหนอนเดินเท้าพลิกแหกเรียบร้อยทุกอย่างที่วางแผนไว้ไปไงหยุดหมดเลยมติราชส่งสารมาเตือนว่ามึงอย่าหลงนักอย่าหลงนัก อย่าหลงนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเรามองข้างนอกให้ถึงความเป็นจริงของมันมองให้ถึงความเป็นจริงของมันอย่าไปติดอยู่ที่ว่าอย่าไปติดอยู่ด้วยอำนาจของความหลงแต่มองให้ทะลุความหลงเข้าเราก็จะเห็นความเป็นจริงพอเราเห็นความเป็นจริงของสิ่งข้างนอกเราพาไปไหน เห็นความเป็นจริงของสิ่ง้างนอ ก, นอกอยังไม่เป็นธรรมะเนาะมันต้องน้อมเข้ามาข้างในว่ากายใจหรือชีวิตของเรานี้ก็เป็นอย่างนั้นเราเดินเดินไปเนี่ยยางวาันนี้เห็นข่าวคนคนหนึ่งมันขับรถไปชนกับเสาเสาเสหล็กเสาไฟแล้วไอหน้ารถเนี่ยมันพาข้าไปเงี้ยแล้วเสาก็มาอยู่ตรงกลางลำตัวรถ รถตะขันยุบเนี้ยคนตายก็ตายอยู่ข้างในเอาออกไม่ได้ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาแกะออก <c oughs> นี่เคยคิดมาก่อนไหม <c oughs> ไม่เคยคิดมาก่อนเลยแต่มันเกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้แต่ละขณะของเวลาเนี่ยมันมีการเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในขณะของเวลาจะมีมาเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ เราเห็นคนนั่นตายคนนี้ตายคนนั้นตา ย, คน น, นตายคนนั่นป่วยคนนี้ป่วยให้ดูว่าโอ้สปปรรพสิ่งมันเป็นอนิจจังอย่างนี้นี่เองจากนั้นก็น้อมกันมาที่ตัวเราเองแม้แต่เรานี้ก็หนีไม่พ้นความสาวความสวยความหนุ่มความรอความแข็งแรงความไม่มีโรคที่มีอยู่นี้มันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงแค่มายาภาพ ที่ตั้งอยู่ชั่วนิดชั่วหน่อยเดี๋ยวมันก็แปลเปลี่ยนไปที่แท้ร่างกายของเรานี้เป็นยังไงที่หนังหนังเราที่มันตึงตึงอยู่ที่แท้มเป็นไงเออมันเงียวแต่ถ้าเมื่อก่อนตอนที่พ้อที่พกใครมาพูดอย่างนี้โกรธนะทำไปวันตอนนี้จะโกรธกูไหยเนี่ยโกรธไม่ได้แล้วมันโกรธไม่ได้แล้วใช่ไหม เออมันใช่ไหมแม่เก๋เ อ, อมันอย่างนี้แหละแต่ตาลูกสาวไม่แน่มันหลวงพ่อพูดมันอาจจะไม่พอใจนะแต่แม่แม่มันไม่มีสิทธิ์ไม่พอใจแล้วโยงองพอใจไหมไม่พอใจหมอพอใจไหมไม่มีสิทธิ์เออถ้าเราไม่น้อมเข้ามาข้างในมันไม่เป็นธรรมะ ถ้าเรามองไปข้างนอกเขาเรียกว่าหดหูมันเห็นมันจะรู้สึกหดหูเหลือเกินโอ้ยหคนคนหนึ่งเมื่อก่อนนะเป็นเด็กเล่นวิ่งเล่นด้วยกันวันหนึ่งผ่านมามากี่สิบปีไปเจอกันอีกทีโอ้โอยโสมโสมหน้าตรงในเอ็นดูจิตมาเห็นอย่างนั้นแล้วมันหดหูเห่หดหูแต่พอเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเราเองพิจารณาตัวเองเห็นอย่างนั้น มันจะเกิดการสลดสลดกับหดหูไม่เหมือนกันหดหูมองไปข้างนอกแล้วหดหูสลดยกความหดหูที่อยู่ข้างนอกเข้ามาพิจารณาข้างในจึงจะเห็นความสลดความสลดนี่คือธรรมะภาษาบาลีเรียกสังเวทสังเวชหรือสังเวค มันจะเกิดความหวดหูสลดสังเวชหวดหูอยู่ข้างนอกวันนี้มาปฏิบัติธรรมด้วยกันพอรุ่งนี้ได้ข่าวเอา้าคนนั้นนะเหรอคนที่นั่งแถวไหนเดียอเ อ, เอแถวไหนดีนเนอะอ๋อพระอปู่หลวงพ่อเหรอเอเอหลวงพ่อก็ได้วะ โอ้โยเมื่วานเห็นนั่งพูดอยู่โอ้โยดีแข็งแรงนึ่รู้ไงตายแล้วรู้สึกไงสลดสลดหดหูไม่ใช่สลดหดหูเกิดความหดหูใจขึ้นมาโอ้โหเห็นหน้ากันแปแปๆนั่งเทศอยู่ดีๆของพ่อเราตายเช่แล้วโอโยรู้สึกใจมันหดหูเราก็น้อมเรื่องเนี้ย เรื่องความที่หลวงพ่อตายเนี่ยมาหาตัวเราเองแม้แต่ตัวเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดการสลดขึ้นมาความสลดนี้จะเป็นธรรมะตัวสลดจะทําให้เราสามารถพิจารณากายใจของเราให้เป็นความเป็นจริงได้การพิจารณากายใจให้เข้าเป็นความเป็นจริงเนี่ยมันจะนําเราเข้าไปถูกก็เรียกว่าถาปนา ฐานาก็เรียกว่าเข้าสู่ที่ตั้งเข้าไปสู่ฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งอะไรฐานที่ตั้งอย่างมั่นคงสําหรับที่จะเดินเข้าไปถึงที่สูงสุดถ้าเราเม่แต่หดหูอยู่อย่างเดียวใช่ไหมหดหูอย่างเดียวมันก็เหมือนกับปลาไหลที่หลบอยู่ในโคลน มุดไปมุดมามุดไปมุดมามุดไปมุดมายังหาที่รอดไม่ได้มุดอยู่นั่นนะแต่ถ้าพอมันสลดปั๊บมันเหมือนกับปลาที่ลอยตัวขึ้นมาอยู่เหนือโหนแล้วเขาเรียกฐานปนาคือเข้าสู่ฐานฐานของความเป็นที่ตั้งแล้วที่ตั้งที่ถ้าเป็นเสมือนรถเนี่ยถ้าเป็นเหมือนบออร์ไซเราขึ้นคร่อมแล้วสตาร์ทแล้ว ตั้งหัวตรงแล้วเข้าเกียร์แล้วถ้าเป็นรถรุ่นเก่านะรถรุ่นใหม่ไมเออรถรุ่นใหม่เขาเข้าเกียร์แล้วกำลังจะบิดคันเร่งให้รถมันเคลื่อนไปข้างหน้าบนทิศทางที่ถูกต้องแล้วตัวที่รถยังไม่ได้เคลื่อนจอดอยู่เราคร่อมอยู่สตาร์ทสตาร์ทเรื่องแล้วกำลังจะบิดออกไปแล้วหัวก็ตั้งตรงแล้วเนี่ยไอ้นั่นเรียกผาปนา นั่นเรียกถาปนาแต่ว่าตัวก็ยังไม่ได้ขึ้นขอมรถรถยังไม่ได้สตาร์ทหัวก็ยังเอียงกระเทเร่นะ้ำมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะขับเคลื่อนไปมันอ้ยังงั้นไม่ถาปนาทีนี้ไอ้ถาปนาหรือถาปนาเนี่ยการเข้าสู่ความเป็นที่ตั้งจากการที่จิตมันสลดและพิจนารณาในกายใจในของเราเองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ จะนำพาเราก็ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดนั่นเรียกว่าถาปนา <c oughs> วิธีที่จะให้มันเกิดความมั่นคงแข็งแรงวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการภาวนาภาวนานี่ภาวนาแหละเดี๋ยวิธีหนึ่งที่จะทําให้มันถาปนาคือเข้าสู่ที่ตั้งที่มันแข็งแรงได้ตรงได้คือวิธีการถามตอบตัวเอง วิธีการถามตอบแล้วก็เลือกเฟ้นอันสมควรเขาเรียกธรรมานุธรรมะปฏิบัตินี่แบบรัดเลยธรรมานุธรรมะปฏิปติเนี่ยคือว่าปฏิบัติทมอันสมควรแก่ทำทำมันเยอะนี่ทำมันเยอะใช่ั้มแต่การปฏิบัติในข้อธรรมที่มันสมควรที่มันเหมาะแก่ทมนั่น คือการถามตอบให้มันออกมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องตัวเองตอบเองพอเราถามตอบบ่อยๆแล้วก็กล้าพอที่จะเดินตามคำตอบที่มันถูกต้องนั้นนะบ่อยๆแล้วเราก็จะมีตัวเองเป็นกัลยาณามิตรได้แต่ถ้าเราไม่มีการถามตอบปล่อยให้ใจมันไหลไปกับความความที่มัน ไหลไปตามอำนาจของสัมผัสที่มันปรุงแต่งตามกําลังของตัณหาและเวทนาเนี่ยตนเองก็จะเป็นอมิตรเป็นบาปอมิตรตนเองจะเป็นบาปอปมิตรของตัวเองจะนําพาตัวเองไปในลงลงเว้ยลงเหวพึ่งมาพึงพาตัวเองไม่ได้การที่เราถามตัวเองหาคําตอบที่ถูกต้องกับตัวเอง มันเป็นตัวจุดประกายของปัญญาได้อย่างดีเลยและถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยพอตัวเองถามตัวเองแล้วได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วมีความเชื่ออย่างนั้นมันจะทำให้เราความคนอื่นและเข้าใจมีความรู้และจะเชื่อในความรู้นั้นง่ายขึ้นทีนี้พวกที่ว่าถาปนาเนี่ยไมไม่ใช่สถาปนานะ ถาปนาถอทันฐานสระอาปอปลานอหนูสระราถาปนะถาปน า, า, ปนาแปลว่าที่ตั้งที่มั่นเนี่ยพวกที่ฐาปนาหมายความว่ามันมีความเชื่อมีความรู้มีความพยายามมีความมีสติและมีความตั้งใจในระดับหนึ่งแล้วเชื่ออะไรเชื่อในความรู้ ความรู e มร้ทําให้เกิดความเชื่อแล้วก็มีความเชื่อในความรู้จึงทําให้เกิดความพยายามความพยายามตามความเชื่ออันเกิดจากความรู้นั่นแหละความพยายามนั่นแหละมันจะทําให้เกิด bothered, ค, วก ค, ความระลึกมาบรรความระลึกที่ม <elsewhere ied S 1> ั่นคงและใจมันก็จะเกิดความตั้งมั่นทั้งอย่างทั้งห้าอย่างเนี้มันจะอยู่เป็นตัวเดียวกันรวมเรียกว่าฐานะมันมีความเชื่อ ความรู้ความพยายามความระลึกความตั้งมัน่นอยู่ในคำว่าฐานะทุกอย่างที่มันไหลรวมกันมาเนี่ยตั้งแต่เช้าตั้งแต่วางแผนก่อนหน้านี้ว่าเ อ, อวันนี้จะต้องไปอาคารทำนะมาถึงก็เตรียมตัวทำบุญทำทานไปฟังรับศีลตํามนนทั้งหมดมันหลอมขึ้นมาเพื่อให้เกิดห้าอย่างนี้คือความเชื่อเรียกว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญา สอย่างห้าอย่างนี้รวมหลอมกันมาเป็นคําว่าถามปัญหาที่นั่งดิน่นี่ทุกคนเรียกว่าถามปัญหาเรียกว่าถาปัญหามันเหมาะแก่การที่จะถามตัวเองและก็ตอบตัวเองนางสามาวดีอ่ะไฟกำลังลุกมีนางสนมอยู่ห้าร้อยอยู่ในตำหนักนางนั่นแก ล็อกประตูหน้าต่างหมดปิดตายน้ำมันทาผ้าชุบผ้าทาน้ำมันดังหลังเผาไฟกำลังลุกคืบกินก็ามาเาื่อยเลื่อยๆืยนางสามาวดีรู้ว่าทั้งหมดนี้จะต้องตายแล้วเพราะมันไม่มีที่หลบหลีกใช่ไหไฟมันก็เหมือนอะไรเสนาของมัจยุราชเป็นบริวารของเท้ามัจยุราชใช่ไหมตัวที่ทำให้ตาย นางสาวมาวะดีกันเลยบอกกับพวกนางเอหนุ่มอารัมอารัมพะมทะนิทตมัทะยุนเชทะพุทธสาสเดทุวะทะมัจจุโนเซนังนะลาคารังวัคันจุโรปหายะชาติสังสารังโยยมสมังมิงธรรมะวินาเจอัปมัด โตวิดัตสติปราหาปหายะชาติช่างสาร่างดุกขัดสันตังกริสตินี่นางสามาวาดีแกประกาศก้องเตือนอยู่ในถ้ำกลางาถ้ำกลางที่กำลังลุกโผล่ให้นางสนมกำนันห้าร้อยคนพร้อมตัวเธอเองเนี่ย บอกว่าอารัมรอารัมม์ปาทะอารัมม์ปาทะนิกมมะฏฐยุนเชทะพุท ธ, ธาสสนีว่าพวกวพเธอทุกคนอารัมม์ปาทะจงเริ่มตั้งความเพียรทันที <laughs> นิกมมะฏฐยุนจเจทะจงเริ่มตั้งความเพียรเริ่มปรารร ประกอบความเพียรพุทธสาสเดนในตามคําสอนของพระพุทธทันทีเริ่มตั้งความเพียรประกอบในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รู้มาแล้วนั้นทันทีอันนี้เป็นเพราะว่าทั้งหมดนั้นเป็นฐาปนะพวกนี้มีที่ตั้งคือพร้อมแล้วแล้วก็กล่าวต่ออีก ทุวัฒนมัจยุโนโเซนังณราคารังวกันชูโรพวกเธอจงกําจัดเสนาของมัตยุราชให้เหมือนช้างกุญชรเหยียบย่ําไปโดยไปบนไมอ้อ้อนึกสภาพช้างตัวใหญ่ไหมแล้วนึกสภาพต้นอ้อไหมต้นอ้อคล้ๆต้นเอื้องเล็กๆอยู่ในน้ําใกล้ๆเท้าช้างอ่ะหักดังเปาะแปะเปาะแปะเปาะแป ะ, ะต้นอ้อคล้ยๆผักปุ้งแต่มันโตกว่า นึกสภาพช้างที่มันเหยียบย่าอยู่บนบนอ้อนนี่เนี่ยคือมันไม่ต้องมีความสําคัญในต้นอ้อนั้นอยู่เลยถ้าข้างหน้าเป็นข้าศึกช้างจะเห็นต้นอ้อต้นหญ้าที่อยู่ข้างเท้าที่ทางเดินนั้นไม่สําคัญเหยียบย่ําไปโดยไม่มีความรู้สึกอะไร ใช่มนางสามาวดีเตือนนางสดมทั้งหลายวัตุวัตทะมัจจุโดเซนังพวกเธอจงกำจัดเสนาของมัจจุราชสาเหตุแห่งความตายตอนนั้นคืออะไรไฟและการพังลงของอะไรต่างๆทั้งหมดที่จะเป็นเหตุทำให้เราตายพวกเธอจงกำจัด เสนาของมัติยุราชเหล่านี้ให้เหมือนช้างกุญชรเหยียบย่ําลงบนบนหน้าอก mm. แล้วเรามานึกดูที่ว่าคําพูดของนางสามาวดีที่เตือนเหล่าเหานางสนมกํานันเนี่ยตอนนั้นขารนั้นคือหนีไฟไม่ได้แล้วต้องตายแล้วคำว่ามัติยูโนเสนาคือเสนาของมัติยุราชก็คือไฟทั้งหลายที่เข้ามาทําให้ตายแล้วเราอยู่ในสถานาการณ์นั้น เราจะให้ความสำคัญเสนาของมัจยุรัตมากก็จะเกิดความสะดุ้งและหวาดกลัวพอความสะดุ้งหวาดกลัวมาก็จะเกิดความกระวนกระวายถูกไหมหวาดกลัวระแวงดิ้นรนกระเสือกกระสนเรา่าร้อนเศร้าหมองถูกไหมเออแต่นางสามาวดีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่อย่าง้น บอกให้ทุกคนดูว่าเหตุปัจจัยทั้งหมดที่มันจะกำลังส่งให้พวกเราต้องตายต้องทำใจเปิดใจให้กว้างให้ใหญ่เห็นทำเปิดใจให้กว้างให้ใจมันใหญ่เหมือนกับช้างที่มันออกสงครามมันเหยียบย่ำบนหญ้าอ้อทั้งหลายเลยอย่างนั้น ไม่หวาดกลัวไม่สะดุง้งไม่ระแวงต่อความตายต่อเหตุแห่งความตายตรงเสนาของมัจจุราชทั้งหมดที่กือหลังเกิดขึ้นโยอิมัสมิงธรรมวินัยเยออะปามาโตวิดัตสติผู้ใดที่ไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้คือในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่นะที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้ ปหายะชาติสั้งสรังดุก ข, ขัดสันตังกริสติจากจากลักชาติสงสารแล้วทำที่สุดของทุกได้พูดไปอย่างนี้ก็ทำให้พวกเ่านั้นก็หึกเหิมไม่หวั่นกลัวเพราะฉะนั้นการน้อมเข้ามาสู่ตน การปรึกษากับตัวเองการถามตอบตัวเองเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าอย่าออกเสียงนะถ้าถ้าออกเสียงอ่ะเดี๋ยวเขาจะเรียกสีทัญญามาอย่าออกเสียงตั้งคำถามหาคำตอบปัญหาทั้งหมดที่เรามี ถ้าเราตั้งคาถามแล้วก็หาคาตอบที่มันถูกต้องและเป็นธรรมเราก็จะเห็นธรรมานุธรรมปฏิบัติครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก่อนที่จะแสดงอานาปานาสติทรงแสดงเรื่องอาสุพะว่าการพิจารณาอาสุพะในลักษณะของห้าอย่างคือสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ให้พิจารณากันไปให้พิจารณากันไปที่ร่างกาย แล้วทำให้มากทำให้บ่อยอานิสงส์จะมากพอพูดเสร็จได้พระพิจารณาได้พระองค์ก็เสด็จก็เรียกปฏิสันลีนาคือเสด็จหลีกรินสั่งพระเลยจากนี้ไปครึ่งเดือนไม่ต้องไปหาเราเราจะหลีกรินอยู่ผู้เดียวพระพเจ้าก็เก็บตัวปฏิบัติทรงฌานเหมือนกัน ยกเว้นแต่พระที่นําอาหารบิณฑบาตไปถวายเท่านั้นนอกนั้นห้ามไปพระขวัญนี้ที่ยังเหลืออยู่เยอะนะก็ตั้งจอยปฏิบัติอาุปกรรมฐานพิจารณากันไปพิจารณากันมานึกถึงซากศพพิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณาราตรบมีอะไรศพที่ตายอะ่ะจากเป็นคนปกติใช่ไหมริงโตก็จับมาถึงนอน เอาหน้าตาแบบถิงโตนี่ก็ได้จับมาถึงนอนลมหายใจหยุดหายใจเข้าหยุดหายใจออกหยุดวัชใจหยุดเต้นเห็นไหมเลือดลมหยุดการโครจรตาปิดหยิกไม่รู้สึกตีไม่รู้สึกนั่นคือตาย อ, อดูที่ผมดูที่หน้าดูที่คอ ดูที่ลำตัวดูที่เท้าดูที่ขาดูที่ปลายเท้าดูไปกราดไปกราดไปกราดไปอ่าดูต่อไปอีกผ่านเวลาไปตัวเริ่มบวมนะหน้าเริ่มเขียวเออตัวบวมหน้าเริ่มเขียวตินเริ่มออก ก็กล no si ิ่นเริ s, ่มออกหลังจากนั้นท um ้องก็บวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นเรื่อยๆเป็นแก๊สอยู่ข้างในแล้วธาตุน้ํากําลังจะแยกออกมาใช่ไหมฉีกท้องออกมาก็จะมีน้ําไหลเยิ้มเข้ามาข้างข้างตัวที่เราจับให้นอนอ่ะมีน้ําหยดลงไปแล้วน้ําหยดคล้ายๆน้ําบูดูน้ําหยดลงไปแล้วหยดลงไปแล้วเนื้อเริ่มยุย ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยถ้าเรานั่งห่างหาหน่อยใช่ไมจะมีสัตว์ี่สัตว์กินทาบศพจะเริ่มมาแทะเืยเรื่อยผมก็เริ่มหลุดออกมากองเข้าบนพื้นตาก็เริ่มบุ๋มบุมหลุดเป็นหลุมลงไปดูไปเรืยเรื่อยเรื่อยือย่างเนื้อก็จะยุ่ยอกไปค่อยคแยกค่อยแยกค่อยแยกค่อยแยกค่อยแยก ฝ่ามือฝ่าเท้าหนากว่าเพื่อนยังคงอยู่แต่เนื้อตามนี้ค่อยๆ ย, ยุ่ยลงไปยุ่ยลงไปยุ่ยลงไปยุ่ยลงไปตามสภาพของมันจนในที่สุดเหลือแต่ดำดำเกาะ อ, อยู่ตามห่อกระดูกสิ้นเอ็นยังอยู่พวกเนื้อตั้งหลายก็แปลสภาพยุย่ยกองอยู่ข้างล่างร่วงลงมาหมดแล้วหมดแล้วนะชื่อนามะกุลความดีความชั่ว ความหลอ่อความสวยความมีอานาจความมีบริวารหมดยังหมดเกี้ย <c> ง <oughs> ไม่เหลือตอนนี้ตอนนี้เหลือสีดำดำเน่าๆห่อกระดูกอยู่ก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยพระพวกนี้ก็พิจารณาอย่างเนี้ยพิจารณาแล้วก็กวรู้ความรู้สึก ร, รังเกียจแล้วก็ทุ่มไปสุดตัวทุ่มเทจิตใจทั้งหมด ลงไปถูกการพิจารณาหนังนี้แล้วก็น้อมมาใส่ตัวเอ้ยจ๋าพิจู่ผมเอ้ยจ๋าเพราะมันทุ่มสุดตัวไม่เผื่อพื้นที่ไว้ทุ่มสุดตัวเลยเอ้ยจาอ้ยจานึกสภาพไปนึกสภาพไปมันเหมือนขนาดะนั้นนะมันเลยปรากฏเหมือนหญิงสาวที่รักสวยรักงามไม่ใช่สาวธรรมดานะ รักสวยรักงามด้วยถึงโตรู้ไหมรักถวยรักงามไม่เหมือนกับคนธรรมดาคนธรรมดาแบบแบบเราอย่างนี้แบบน้ําเดือนสองเดือนอาบทีนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่หญิงสาวที่ยังอยู่ในวัยใสแล้วรักสวยรักงามเนี่ย พอมามีความรู้สึกอย่างนี้มันรู้สึกจะอิดสะเอียนและรังเกียจเพราะมันทุ่มเทความรู้สึกไปทั้งหมดเลยมันรังเกียจอุย้ยดูผมกูรังเกียจดูหนะ้ากร็รังเกียจรังเกียจร่างกายเหมือนกับว่าหญิงสาวที่มันรักสวยรักหามอาบน้ําแต่งตัวอย่างสะอาดอย่างถูก อ, อกถูกใจแล้วโจโฉก็มีซากของงูซากของหมาซากของซากศพของมนุษย์มาแขวนอยู่ที่คอ ผูกอยู่ที่ตัวมันจะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกรังเกยียจสะอิดสะเอียนใช่ไหมอย่างเต็มที่พวกนี้ก็พิจารณาอย่างนี่แล้วก็เลยกินไม่ลงนอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับจนจิตรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ออกแล้วตายดีกว่าก็บางคนก็ฆ่าตัวตายไปบางคนฆ่าตัวตายไม่ถึงพอก็ไปจ้างคนอื่นฆ่า ฆ่ากันเองผลัดกันข้าไปจ้างคนอื่นฆ่าตายกันไปเยอะมากจนกระทั่งพระพุทธเจ้าออกจากที่เร้นมันตรงเี็นโอ้พวกนี้พระหายไปไหนหมดนะก็เลยทราบเรื่องออพิ จ, จารณาสุภะแล้วก็ฆ่ากันฆ่าตัวเองตาย เป็นไงฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอะไรพระพุทธเจ้าก็สั่งพรเดียงสงคือประชุมสงฆ์แล้วก็ตรัสว่าพิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันผู้ใดอบรมให้มากทำให้มากสันโตปนิโตเซชนโกสุขโควิหารโร ก็จะเกิดคุณคือความสะบบปราณีตเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุขพระพุทเจ้าเลยเริ่มสอนอนาปานนสติตั้งแต่ตอนนั้นมาดูว่าทำไมพิจารณาสุภะและเป็นแบบนั้นเพราะมันเห็นความอะไร เห็นความสกปรกเห็นความเน่าเห็นความไม่งามเห็นไปเยอะมากแต่จิตยังพอใจยินดีอยู่กับอะไรความสะอาดความงามยังชุ่มอยู่ด้วยอานาจของราคะมันยึงอยู่ไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เลยใช่ไหมผมห อ, อกเส้นหนึ่งรับได้ไหมเหมือนเราคนเป็นผมดำมาตลอดเลยดูแลผมมาตลอดเลยเข้าร้านเสริมสวยทิ้งพันห้าสองพัน วันหนึ่งเช้าขึ้นมาจะออกไปตามาเข้าวกระจกขณะหวีผมดูดีเห็นผมขาวโผล่มาเท้นหนึ่งเอ้ยอย่าเป็นไงฮะ <c oughs> ฮะสะดุ้งไหมเออนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเห็นแล้วมันเสพด้วยอารมณ์มันไม่ได้เสพความเป็นจริงมันเอาพุ่งไปทั้งหมดเลยพอพุ่งไปทั้งหมดนี่จิตมันตกอยู่ใต้อำนาจ จิตตกอยู่ใต้อำนาจของความสกปรกหมู่ดเน่าอันเป็นถึงทึ่งไม่น่าพอใจทั้งๆที่ใจมันยังปรารถนายัางชุ่มด้วยอำนาจของกามและราคะอย่างนี้มันต้องตายอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะมันไม่ได้เข้าสู่สิ่งที่ปรากฏซึ่งน้าว่าความเป็นจริงแต่มันกลายเป็นความไม่ถูกใจ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้จำไว้เนืองๆ น, นะสังวรสำนึกสำเนียกไว้ในกระบวนละรสันดานเลยนะ mm hmm. การปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปให้ความหมายว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัด ก, การทุกอย่างให้มันอยู่ในบริบทของความพอใจใครคิดแบบนี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมเจง จ้งเลยจะมาพูดอุตริมนุษธรรมคือคือจะมาพูดคุณธรรมเบื้องสูงชาญอย่างนั้นชานอย่างนี้ความคิดและความจำทั้งนั้นไม่ใช่ความรู้จริงไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนอาณาปานาสติไงเพราะอาณาปานาสติเนี่ยพอทำถูกทำได้มันจะเกิดอะไร เป็นคุณคือความสงบปราณีตเยือกเย็นแล้วก็เป็นสุขขึ้นมาทันทีเป็นขึ้นมาทันทีตั้งแต่คู่แรกที่ทำกิจอย่างถูกต้องรู้อย่างถูกต้องทำไมจ be ึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงบอกว่าสั้นโตประนีตทำไมบอกว่าเป็นคุณคือความสงบปราณีตเยือกเย็นได้เป็นสุขทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะมันเป็นของจริงที่มีอยู่ไม่ dır, ใช่ไปบอกกับคนนี้ว่าปราณีตเยือกเย็นเป็นสุข พอไปบอกกับคนนี้ เ, ออเงินทองไหลามาเทมาพอไปบอกกับคนนี้โอ้โหลูกค้ารับรองได้เลยจะเยอะมากนี่สินก็จะได้คืนเงี้ยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่อ่าเขาเรียกอะไรพอไปเจอน้อนก็จะอะไรลูกจะดีเพราะมีลกูกไ ไปเจอคนนี้โอ้จะร่ำรวยแล้วว่าไปเรื่อยแต่นี่ไม่เจอหน้าใครหน้าใครสอนใครพระหรือคารวะพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าสันโ e ตปณีโตเซจนาโกสุโคจะวิหาโรแปลว่าคุณคือความสงบปราณีดเยือกเยน็นและเป็นสุขเหมือนกันหมดทำไมถึงเหมือนกันหมดได้เพราะมันเป็นของจริงที่มีอยู่ในทุกๆคน เพียงแค่ทํากิจให้มันถูกต้องเข้าถึงหมดเศรษฐีก็เยือกเย็นเป็นสุขยาจกก็เยือกเย็นเป็นสุขสวยก็เยือกเย็นเป็นสุขขี้เรก็เยือกเย็นเป็นสุขสูงก็เยือกเย็นเป็นสุขต่ำก็เยือกเย็นเป็นสุขใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงตามธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ใช่ใครมาบัญญัติไม่ใช่ใครมาประทานเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่มีอยู่เพียงแค่เราเข้าอย่างถูกต้องก็ก็จะเจอทุกคนพระเจ้าเลยมาสอนอาณาปานาสติทีนี้ข้อที่ท่านว่าเยือกเย็นด้วยคาว่าไอสั้นโตคือคุณคือความสงบทันทีเยือกสงบและปานีโตแปลว่าปาณีตอาเซชนโกเนี่ยแปลว่าเยือกเย็นแช่มชื่นเย็นโดยไม่ต้องราด อาเซจะนักโกเพรว่าคือคือไม่ราดอ่ะไม่ต้องตักน้ำมาราดมันก็เย็นอ่ะเย็นโดยที่ไม่ต้องตักน้ำมาราดมันเกิดทันทีนะแต่เราไม่สังเกตเองเพราะเรกๆความตั้งมั่นเราไม่พอลรหรือไม่รู้ว่ามันราดเราไม่ได้รู้ว่ามันเยือกเย็นเราไม่ได้รู้ว่ามันแช่มชื่นเพราะในขณะนั้นเรามีความฟุ้งซ่านอยู่ในลมแรกคู่แรก แต่ถ้าเราทําในความรู้สึกของเราไห้ดีนั่งนิ่งๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกช้าๆเราจะเห็นอาศัยจนทโกคือความเยือกเย็นเนี่ยมันกระชุ่มข้างในแล้วก็ค่อยๆกระจายบางๆขึ้นไปจนถึงกระบาลถึงถึงหัวถึงหลังไปได้หมดเลยอาศัยจนทโกแต่เลกเรามันฟุ้งไงเรามันฟุ้งแร่ๆแต่มันจะปรากฏชัดลงไปเรื่อยๆเมื่อใด ที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวอยู่กับลมหายใจนั้นได้อย่างต่อเนื่องอาเสจนาโกก็จะเกิดขึ้นเป็นลําดับต่อจากความประณีตและความสงบส่วนความสงบเกิดขึ้นเลยการที่เรารู้ลมหายใจออกได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าใจมันออกมาจากทุกๆเรื่องความคิดมันออกมาจากทั้งหมดแล้วมันเหลืออยู่ความคิดเดียวเรื่องเดียวใช่ไหมนั่นแหละมันเลยสงบไง มันเลยสหบไงนั่งอยู่ตรงนี้ลมหายใจกำลังไหลออกผู้หายใจอยู่รู้สึกได้ถึงลมหายใจของตนที่กำลังไหลออกรู้สงบไหมผู้ที่รู้ลมนั้นคือผู้ที่สะหบตั้งแต่ลมออกแรกถ้าต่อเนื่องก็ไปมันมีความมั่นตั้งมั่นเข้ามารับรองความสงบไว้ แ ต, แต่คู่แรกนี่มันสหบลงมาแล้วคู่แรกมันสงบลงมาแล้วแต่ที่เรานั่งฟังอยู่เราฟังเสียงเราตั้งใจฟังเสียงจิตเราออกมาจากทุกๆเรื่องเลยแค่ฟังเสียงอย่างเดียวแล้วคิดตามมันก็สงบได้แต่เราฟังอยู่ฟังอยู่ด้วยแต่ใจไปข้างนอกด้วย เขาเียหานิสิตาวิ่งไปบ้านก็ใช้คำว่าเขหานิสิตาคือวิ่งไปบ้านอาศัยเรือนคํานี้นี่มันมันรวมหมดคาว่าอาศัยเรือนะรวมลูกรวมผัวรวมเมียรวมหลานรวมเหลีรวมงานรวมรถรวมหลังคาบ้านรวมรั้วบ้าน รวมคนงานรวมหมดคําว่าเกฮานิสิตาก็ติดธรรมชาติติดมันอาศัยเรือนใช่ไหมคําว่าเรือนเนี่ยมันมันรวมหมดไหมรวมหมดเอารวมที่บ้านด้วยใช่ไหมเออไปก็ไปอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ไม่ไมปบครลาใดที่มันออกมาจากทุกทุกเรื่องไม่เป็นเกฮานิสิตาไม่เป็นปริโพุธใดๆกลับมาอยู่ที่ลรหายใจมันก็สงบทันที นั่นแหละคือความสงบแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติที่บางอาจวางบริบทของความสงบไว้ลึกไกลชัดเงียบวางเวงเวิงวางถูงต่งแล้วมีความอยากมากที่จะเข้าไปให้ถึง มันก็เหลือเหมือนกับเนื้อเนื้อล่อหมาเหมือนหมามันวิ่งใช่ไหมแล้วก็เอาเนื้อผูกไว้แล้วก็ลากเนื้อเนื้อมันแค่เนื้อล่อหมาก็วิ่งอยู่นั่นแหละวิ่งจนหมดเรี่ยวหมดแรงไม่ถึงทันทีไม่ทันทีมันก็ห่างอยู่นั่นนะเพราะเราไปลกเป้าตั้งเป้าหมายของเราว่าความสงบมันอย่างนั้น พอนั่งปับ๊บเราจะต้องเข้าถึงความสงบนั้นให้ได้าบางคนตั้งไว้เข้าได้ไว้จิตมันได้ความสงบเบื้องต้นเสพความสงบได้พอเสพความสงบได้โอ้แค่นี้เหรอเลื่อนเป้าหมายออกไป <c oughs> เลื่อนเป้าหมายออกไปพอเลื่อนเป้าหมายออกไปจิตมันอยู่กับความสงบแล้วแต่ไม่พอใจในความสงบที่ตัวเองได้เพราะว่าไงมันไปพอใจความสงบที่ตัวเองวางไว้ มันเลยอยู่กับความโศบนั้นไม่ได้รับไม่ได้บาเหมือนคนทอดแหอ่ะเคยเห็นคนโทษแห่ไหมทอดปั๊บเขากระโดดทําไมคนทอดแห่พอทอดปั๊บกระโดดลงไปในน้ําใช่ไหมแ้วเอามือไปตบตีนแห่ก่อนแหละอันแรกเลยตบตีนแหให้มันเรียบตีนแหมันจะเป็นลูกกระพุนเหล็กอะตบตบตบตตตต บ, ต บ, ต บ, ต บ, ตบให้มันแนบกับพื้นก่อน หลังจากนั้นตบเข้าไปในตีนตบเข้าไปในตัวแหว่ามันมีตัวใหญ่ใหญ่อยู่ไหมถ้าตัวใหญ่ๆหญ่นี่เจอปั๊บนะกดมันไว้แล้วก็ล้วงเข้าไปใต้ตีนแห <c oughs> นั่นนะ่ะ <c oughs> แล้ว ก, <c oughs> แวก็แล้วก็จับออกมาก่อนออกมาก่อนตัวใหญ่ต้องจับออกก่อนเอ็คนตอนแหรลุงไปถึงนะตบตบตตตบโอ้โหเจอเจอไอ้ช่อนตัวบุลเลอร์หรือวย ใจเป็นไงดีใจดีใจก็ล้วงเข้าไปลวงเข้าไปล้วงเข้าไปลวเข้าไปจับจับได้แล้วใช่ไหมค่อยๆดึงออกมาพอออกลอดตีนแหนมหลุดโอ้ยเป็นไงใจเป็นไงเจ็บใจเจ็บแล้วจบไหมไม่จบไม่จบขึ้นมาข้างบนถึงก็สาวแหแบบ ใจไปไหนไปก่ายปลาตัวใหญ่ใช oh, ่ไหมสาวแหหมดอะไรตายอยากในกระนิษฐาโอ้โหปลาเยอะมากตัวเล็กตัวน้อยคนอื่นก็เห็นโอิยฉาดิษยากันไปเยอะตัวเองล้างแหแบบแบบสังกะตายอ่ะแบบเซ็งๆแล้วก็แบกปลากลับบ้านไปถึงให้ลูกให้เมีย ลูกเมียอาโอ uh, ้ยพี่วันนี้โชคดีจังปลาเยอะมากมไอ้นนท์ตามไม้กินก็กินแม่งั้นนะเพราะมันไปไหนเพราะไอ้พวกที่ไปล็อกเป้าตั้งความสังหบไวระวังให้ดีเดี๋ยวจะกลายเมื่อนไอ้โง่ทอดแห่นี่แหละส่วนที่มีอยู่ไปไงแค่รู้ว่ามีไม่ไใช่ Go, ไปหลงมัน ไอ้พวกที่ไอ้พวกนี่ได้มาเสร็จหูปลาเต็มถังเลยดีใจใครมาขอดูไม่ให้ดู <c oughs> พอเดินไปถึงบ้านโอ้ยที่บ้านเนาะนะคนนั่งกันเต็มค่อยๆเดินถอยออกมาข้าวทางหลังบ้านเปิด <c oughs> ประตูก็ไปเรียกเมียเสียงเบาๆแผลๆเบาๆย่า้ดังย่า่ดัง กลัวเพื่อนขอไอ้อย่างนี้เรียกว่าไงหลงพวกที่หลงนี่เป็นยังไงอาการของคนที่หลงความสง บ, บหลงต่อทำที่ตนเองเข้าใจว่าเข้าถึงนั้นพวกที่หลงพวกนี้จะด่าคนอื่นข่มคนอื่น โอ้ยมันนั่งภาวนามันนั่งหลับมาทำไมเกกะต้องอย่างฉันนี่ไอ้นี่แหละหลงเข้าใจเปล่าอย่าเอาความรู้มาเป็นกรงขังตนเองนั่งภาวนาบางคนนั่งเนียนนะนั่งเป็นชั่วโมงเลยนั่งไม่กระเพืเลยแล้วก็หน้าตกมาหน่อยเนึ่ ใครเทศหาเทศไรเทศไปเหอะไอพวกนี้ที่นั่งก็โอ้โหเก่งเนาะอไม่ขยับอเลยโอโ้แท้จริงกาหลับแต่เนียนไงตีเนียนนะหลับหลับหลับลึกเลยอะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้มาขังตัวเอง อย่าเอาความเก่งมาทำให้ตนเองเกิดทิฏฐิมานะเรื่องนี้เป็นเรื่องของความหลงทั้งสิ้นเลยแต่พระเจ้ามาถึงสอนอะไรอานาปานาสติและบอกว่าสันโตปนิโตอาเซชนะโกสุ ข, ขวิหาโรเนี่ยมันบอกกับใครพูดกับ เอฟก็อย่างนี้ไพวันก็อย่างนี้กับเก๋อย่างนี้กัเปิ้ลก็อย่างนี้ก็โองก็อย่างนี้พูดกับเงียเงียะก็อย่างนี้พูดกับใครก็อย่างนี้หมดเลยพูดทำไมเพราะอะไรเพราะมันเป็นของจริงที่มีอยู่จริงและมีอยู่ที่ไหนในในตัวเจ้าของนั้นทุกทุกคนเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่จริง เพราะนั้นธรรมานุธรรมปฏิัติการปฏิบัติธรรมอันสมควรก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันช้ำแรกขูดเกาเข้าไปเพื่อให้ถึงความจริงอันนี้พอถึงอันนี้ถึงสันโตมันก็สกปรกเหมือนกันไหมเหมือนกันถึงปณีโตมันก็ปราณีตเหมือนกันไหมอาเสจนกโกมันก็เแจ่มชื่นยือกเย็นเหมือนกันอยู่เป็นฉุกเหมือนกันเด๊และไอคนที่ได้แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไง มันไม่มาโมยเกยควังแล้วมันไม่มาโมยเกใควังแล้วก็เหมือนกับเราเหิวหิวอยู่อะแล้วเราก็ไปกินกินแล้วอิ่มใช่ไหมอิ่มแล้วเราต้องไปโพธนาบอกคนอื่นไหมหรือต้องเช็คอินต้อง check in, ต้องเช็คอินใช่ไหมเออต้องเช็คอินต้องถ่ายรูปใช่ไหมไอตอนถ่ายรูปมันยังไม่ไม่อิ่มนะ เวลาอิ่มมันไม่ถ่ายแล้วตอนถ่ายรูปมันจะเช็คอินเนี่ทุนมากมันจะเกิดขึ้นก่อนกินก่อนสั่งก่อ น, ก, อนก่อนอิ่มพอมันอิ่มแล้วมันมันไม่ถ่ายรูปแล้วมันไม่เช็คอินแล้วถ่ายมันก็ไปถ่ายอย่างอื่นแล้วเหมือนกันเลยเพราะมันเป็นของจริงที่มีอยู่จริงและเข้าถึงได้จริง จึงมาสอนคำว่าอาณาปานสติทีนี้ที่พระมันตายกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุ่มการปฏิบัติลงไปที่อสุภะจนจิตไปเสพแล้วมันเกิดไปต้านกันกันกบการมรรคะไม่ได้ทำหน้าที่ขูดหรือขัดเกลาเพราะความปรารถนาของจิตนั้น ยังอยากสวยอยากงามอยากอยากถูกใจอยู่แต่จิตดันไปเจอสิ่งที่มันสกปรกบูดเน่าไม่สวยไม่งามขึ้นมามันจึงเกิดความรังเกียจรังเกียจสิ่งนั้นเพราะมันปรารถนาอีกทิ้งอื่นแต่พอมันพิจารณาที่ตนเองตนเองเป็นอย่างนั้นน่ะมันบูดมันเน่ามันต้องตายมันต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ยมันแต่ไอหัวใจมันยังชุ่มอยู่ด้วยอำนาจของราคะใช่ไม ของกรรมใช่ไหมยังปรารถนาอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่สามารถที่จะทำความปรารถนาที่เป็นพื้นฐานอยู่นั้นให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะกายมันเน่ากายมันส ก, กรปรกมันจึงเกิดความรังเกียจอย่างรุนแรงต่อการมีรูปกายของตนเองถึงนำพาไปสู่การฆ่าตัวตายอืมฮัพระพเจ้าจึงเข้ามาสอนอนาป า, านนสติดูซิที่พระพเจ้าสอนนะ่ะ พลังกังกงาพุทธิวานิชีดติคือทํากายนิ่งนิ่งนั่งคูบพลังตั้งกายให้ตรงไว้ให้มันนิ่งไว้ก่อนให้มันเย็นกายไว้ก่อนนะจากนั้นปริมุขังสติงุปัตเปตว่าทาจิตผู้รู้ดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าก่อนเราไล่ลําดับไปดูที่เราปฏิบัติกันมามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมาละมาดารงสติอยู่เฉพาะหน้าก่อนคือให้มันมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาก่อนมีสติสามพญญะ ตั้งอยู่กับเจตนาที่จะนำไปพิสูการกำหนดรู้หลังจากนั้นรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าพอมันมีจิตผู้รู้มารู้ลมหายใจออกมีจิตผู้รู้มารู้ลมหายใจเข้าหมายความว่าอะไรเราไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ลมหายใจอย่างเต็มเต็มแล้วมันเป็นจิตผู้รู้ และก็ทําหน้าที่รู้รู้เป็นอาการของจิตผู้รู้เห็นไหมพระพุทธเจ้าในสุดยอดมากเลยนี่คือพระคุณของคนที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเลยแหละตั้งแต่ตอนนี้เป็นพระคุณมากๆถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาแยกแยะตรงนี้เราไม่มีทางอาจมาก็ไม่มีทางที่จะมาพูดอย่างนี้ได้ โยมก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติแล้วได้สภาวะเหล่านี้มารองรับความเป็นจริงว่าเออมันเป็นเช่นนั้นจริงๆได้เข้าใจไหมเนี่ยคุณของพระเจ้าเลยไม่มีใครทำให้เราได้เลยเนี่ยพอทำจิตผู้รู้จิตผู้รู้ทำหน้าที่รู้ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้อาการของของของรู้ ที่ไปแตะอยู่กับลมหายใจมันเป็นเรื่องราวของอะไรของจิตผู้รู้ไม่ใช่เราเห็นไหมเห็นไหมแต่เวลาเราไปเจอหนาทุพทำกรรมาฐานอะไรก็ตามเอาตัวเราโถมไปทั้งหมดไ ป, ไปทามันจะได้แตะเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้แต่เราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ร, รู้ไม่เกิดสติไม่เกิด ปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความตั้งมั่นไม่เกิดแล้วรู้สึกไหมว่าเวลาเราปฏิบัติมันเหมือนว่าเราต้องพยายามเข้าไปเพื่อบงการคอนโซนทุกอย่างให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราการปฏิบัติแบบนี้มันเป็นการอะไรเขาเรียกว่าเป็นการ เออเทคโอเวอร์ใช่ไหมเป็นการเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์ทั้งหมดให้มันมาเป็นของเราแต่จริงๆการปฏิบัติมันต้องดำเนินไปไหนมันเดิมเดินเข้าไปสู่ความเป็นโนรูไหมโนรูแปลว่าอะไร เราไม่ใช่โ no, นูเราโนไอโนไมโน problem โนไอคือฮะ <laughs> ไม่มีเราโนไมคือ no, <laughs> ไม่มีของเราโน no problem คือ <laughs> ไม่มีปัญหาใดใด <laughs> เราไม่ใช่โ no, นรู <laughs> <laughs> เพราะไอตัวจิตผู้รู้เขาทำอาการทานาที่ของจิตผู้รู้คือรู้สิ่งที่ถูกรู้ ตัวรู้สิ่งที่ถูกรู้เป็นการตำมานของจิตผู้รู้จิตผู้รู้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่จิตสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาอันประกอบไปด้วยสติกับสัมปชัญญะแล้วก็ตั้งจิตผู้รู้ไว้บริเวณนิมิตโดยที่ไม่ไปปักอยู่กับน no <laughs> ิมิตนิมิตก็โนไอโดไมใช่ไหมเออ พอวันนี้นิมิตเป็นแบบนี้นิมิตก็โนไมยโนไอโนบายไม่ใช่โนรูใช่ไหมไม่ปากไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรานิมิตมันเป็นคือสถานที่จริงเป็นนิมิตโซนเป็นที่จริงที่ที่ลมผ่านเข้าผ่านออกและหลังจากนั้นละเอียดลงไปอีกลมที่มันผ่านเข้าผ่านออกนี่มันเยอะถูกไหม เอาลมที่มันสามารถที่เราเข้าไปรู้แล้ว no I no my no เพราเพมคือเข้าไปรู้แล้วไม่มีเราไม่มีของเราคือเราจะไปปักที่ลมออกหรือไปปักที่ลมเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาใช่ั้มมันทำอย่างไรมันก็มีลมชนิดหนึ่งคือลมที่มันกระทบเวลาลมออก กระทบกับกายประสาทลมนั้นแหละให้จิตผู้รู้เขาทาหน้าที่รู้ลมนั้นพอเขาทาหน้าที่รู้ลมนั้นเนี่ยลมนั้นพอเกิดขึ้นปั๊บมันครูดออกไปแล้วก็หายครูดเข้ามาแล้วก็หายไม่เหลือให้เราคอยไปปักมันแต่แต่ถ้าเราไปปักอยู่ที่ลมหายใจออกพอลมหายใจออกปุ๊บวิ่งไปแน่แน่ถูกไหมวิ่งไปแน่แน่ และจิตก็ทำหน้าที่หอบลมนั้นแหะเหมือนกับตัวเองทำหน้าที่หอบลมไหลเข้ามาตัวรู้จึงทำหน้าที่วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าการที่เขาวิ่งออกวิ่งเข้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราทุ่มตัวเราลงไปกับเจตนา เพื่อคอยไปจัดการบงการควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังที่เราต้องการเราจะได้อะไ ร, รได้เราถ้ามันเกิดผลขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ได้ค่ากันอะ <c oughs> แต่พระพุทธเจ้าสอนให้ไม่วิ่งตามพอไม่วิ่งตามสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าจิตมันจะหดตัวจากสิ่งอื่นทั้งหมดเลย มาอยู่กับอารมณ์อันเดียวพอมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวไอ้ตัวรู้ที่ทําหน้าที่รู้อยู่กับอารมณ์มันเดียวคือลมหายใจเนี่ยลมอะไรละ่ะที่มันเข้าไปรู้แล้วมันจะยิ่งทําให้สติเจริญขึ้นสมาธิเจริญขึ้นเป็นกลางบริสุทธิ์และเกิดเป็นผัสสะที่เป็นอนิสิตะคือไม่เป็นที่อาศัยของ อาวิชาตันหาอุปาทานเลยมันเป็นตัวสัมผัสแล้วก็ตรงแล้วก็บริสุทธิ์ตรงล ต, ตรงไหนลมไหนก็คือลมชนิดที่เป็นโพธพารมนี่แหละจึงต้องเกิดตัวนี้ขึ้นมาสำหรับการปฏิบัติการปฏิบัติใดก็ตามถ้าจิตผู้รู้ทำหน้าที่รู้โดยไปปักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆความเป็นเราก็จะแข็งแรงขึ้นมาเวลาเราแข็งแรงเป็นไงฮะไปวันฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกามิตสร้งปะชาเฮสันติเปกโขมันจะต้องเป็นกระบวนการในการคายโลกามิรมุ่งเข้าสู่สันติ แต่ถ้าเราภาวนาแล้วการภาวนาของเรายิ่งเพิ่มความเป็นเราฉันกิ่งฉันทำได้ฉันนั่งนานนั่งทนฉันเดินทนฉันเดินนานฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้เป็นไงถึงโตใครวะเดินนานใครว่านั่งนานได้อะไรเพราะฉะ น, นั้น ถ้าเราเปิดใจกว้างๆนะค่อยๆฟังค่อยๆทําความเข้าใจเราก็จะเดินในวิถีของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องแล้วเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนเพียงแค่ว่าให้ทํานะสอนให้เข้าใจก่อนเนี่ยเข้าใจไหมทําแล้วมันอย่างนี้แล้วดูข้อแตกต่างกันออกไปก่อนแล้วอย่าลืมอย่าลืมว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ย ท่านเกิดขึ้นมาในยุคของจิตนิยมคือในยุคนั้นเนี่ยจะมีลัทธิมีศาสนาเยอะมากเยอะจริงๆนักปาถุกนักบรรยายนักอะไรต่างจนถึงเดี๋ยวนี้อินเดียไปดูที่ไฮปากมีอยู่แทบทุกถีแยกนั่งรถผ่านไปเดี๋ยวเต็มหมดแล้วตำรวจด่นถือไม้ไม่เท้าไปตีแล้วก็พวก เก่งๆทั้งหลายก็ยูนปราสวยตามเวทีต่างๆเป็นอย่างนี้อิเดียเหมือนเมื่อก่อนเลยพระพเจ้าเกิดใาท่ามกลางนี้นะเกิดในธรรมกลางของนักคิดนักปรัชญาแม้มีความเชื่อในยุคนั้นมีความเชื่ออยู่สอ ง, ส อ, งอย่างคืออย่างเทวนิยมกับจิตนิยมแต่ยังไม่ถึงขั้นของปัญญานิยมมีมุตตินิยมนี่คือเกิดในยุคของพระพเจ้าจิตนิยมเนี่ยมันมันแค่ไปถึงเรื่องของกรรม ความเชื่อเนี่ยโลกธาตุทั้งปวงมีเทพเจ้าเป็นผู้สร้างมีเทพเจ้าเป็นผู้รักษาสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับเทพเจ้าประทานให้อันี้ความเชื่อนี้เรียกว่าเทวนิยมเป็นความเชื่อหนึง่งแล้วยุคนั้นเกิดศาสนาเยอะมากพระเจ้าเขาเกิดกับความเชื่อนี้นะเกิดกับความเชื่อนี้แล้วในความเชื่อนี้เขาจะมีวิธีแล้วไม่ใช่เขาเกิดแบบแบบเราไปบอกว่าไม่ดีนะ ไม่ใช่กขเกิดแบบไม่ใช่ชี้ชัวเกิดนะกข เ, เกิดขึ้นมานี่ก็ตั้งเป็นวันณนะวันณะขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ว่าโอ้ยศาสนางงผมหันมาถือศาสนาพุทธดาศาสนาอื่นไปทั่วศาเสียเทเสียไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ต่างเขาพระพุทธเจ้าพระ ต, ตรัสรูปประกาศศาสนาสอนเลยอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสร้างวโร พระพุธเจ้าเหมือนกับจะบอกว่าพวกเองนะควังชันนะอนุบวารโดการประกาศศาสนาสนหนึ่งเลยอย่าไปว่าร้ายเขาอนุบคาโตอย่าไปจองล่างจองผ่านใครปาติโบเคจะซ้ำมโรวางตัวเองให้สำรวมระวังในวิถีของตนเองไว้อย่าไปก้าวไกลอย่าไปว่าเขาอย่าไปสำคัญว่าเราดีกว่าเขาอย่าไปสำคัญว่าเขาแย่กว่าเราเรื่องนี้มันเป็นมานณะ ใครที่ไปสำคัญแบบนี้มันอยู่ในมานะสังโยชนไปไหนไม่ได้อืมพระพเจาสอนย้ำไว้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติของอานาเนี่ยที่บอกว่าให้รู้ลมชนิดที่เป็นโพธิพารมเพื่ออะไรเพื่อให้รู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์คืออะไรหนึ่งไม่มีความคิดหรือไม่มีเราเข้าไปแทรกแซงรู้เข้าใจไหม ถ้ามีความคิดหรือมีเราเข้าไปแทรกแซงรู้เราก็จะได้เราเวลาเราอ๋อนั่นนะเราตัวใหญ่เหมือนในช่อนตัวใหญ่เข้าใจไหมอ๋ออย่างงี้นี่เองนะเราตัวใหญ่ไปแทรกแซงรู้ถ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าตรันสอนขยายความโดยภาษารนบุทจะไม่มีเราแล้วก็จะไม่มีความคิดเข้าไปแทรกแซงจิตผู้รู้ที่เขาทําหน้าที่รู้ลมชนิดที่เป็นผู้ตับพาลมได้ เพราะฉะนั้นลมที่เป็นโพธาภาลมคือลมเกิดตามความเป็นจริงลมหายใจเราไหลออกยาวหรือไหลเข้ายาวไม่รู้ละ่ะแต่โพตาภาลมมันจะเป็นตัวบอกเป็นความจริงว่าลมนั้นยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดถ้ายาวก็กระทบแล้วก็คลู่ออกไปแบบนานสั้นกระทบแล้วคลู่ออกออกไปแบบแป๊บเดียว บึด้ดแล้วทานใช้สบว่ายาวนี่นนท่านเชื่ว่าอัธานาสังขาเตคือนานสั้นนี่ท่านใช้ว่าอิตริตะก็คือว่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่ใช่เป็นระยะความยาวไม่ใช่เป็นนิ้วเป็นเซนนะลมเนี่ยความยาวเนี่ยนานถ้าลมที่เป็นโพธภารณมความยาวมันนานเหมือนกับที่เคยพูดให้ฟังนั่นแหละเข้าใจแล้วใช่ไหม ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะจิตผู้รู้เขาทำหน้าที่รู้อย่างบริสุทธิ์เข้าใจไหมเออพอพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอาณาปานสติขึ้นมาทุกอย่างมันเข้าเหมือนเดิมสั้นโตปนีโตอาเซจนโกสุโควิหารูทีนี้เราก็ มีหน้าที่ในการภาวนาอาณาเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องหนึ่งนะหนึ่งถามว่าต้องมีเป้าหมายไหมต้องถามตัวเองก่อนเออถามตัวเองก่อนเพราะเาเมื่อก่อนไม่ต้องมีเป้าหมายหรอกบางคนก็อยากจะเอาแค่บุญบางคนก็จะอย่างนั้นใจอย่างนี้แต่ตอนนี้ถามว่า ต้องถามตัวเราเองว่าเรามีเป้าหมายอะไรในการปฏิบัติธรรมมีเป้าหมายอะไรเรีวนี่นี่นี่นเดี๋ยวนี้มีด้วยเรีวมีเป้าหมายอะไรที่มาวันเนี้ยขัดเกลาตัวเองจังไปวัน แบบครูเลยนะี่แบบครูเป้าหมายก็หาเป้าหมายของตัวเองให้ได้ตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายของของตัวเองคืออะไรเป้าหมายเลยแอไม่กล้าตอบใช่ไหมแบบไม่ใช่ไม่ใช่มโนนะ เอาจิงๆ จ, จากความรู้สึกพนทุกข์จริงป่ะจะบอกว่าที่เรามา น, นี่ทุกคนแหละเป้าหมายสูงสุดของเราคือความพ้นทุกข์หรือไม่ใช่ใช่ไหมเพื่อนวันิดาใช่ไหมเพื่อความพ้นทุกข์ไหม พนิดาพ้นทุกไหมเราจะตอบว่าเป้าหมายของเรามาวันนี้เพราะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแท้จริงแล้วเพื่อความพ้นทุกขเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความศึกษาเป้าหมายของตัวเองไ ว, ว้ว่าเพื่อความพ้นทุกขว่าเพื่อความพ้นทุกขถ้าต้องการเพื่อความพ้นทุกไม่มีทางอื่นแล้วเพราะอันนี้มันเป็นอะไร เป็นเอกายามักใช่ไหมมันเป็นยังไงทางเดียวหลังจากที่พระพุทธเจ้าทำการศึกษารูต่างๆเนี่ยสมมติอย่างนี้ไอ้เขียวๆข้างในเนี่ยสมมติว่ามันเป็นความทุกข์อยู่ข้างในไอ้นี่มันไม่กลมละมันเป็นรูแบบเนี้ย แต่มันมีรูอยู่เยอะมากเลยนี่มีรูเป็นเป็นล้านล้านรูเลยเนี่ยไอเราอยู่ที่ไหนเราก็วิ่งอยู่ในรูเหล่านี้เข้ารูนี้ออกรูนน like, ู้นเข้ารูนนู้นออกรูนี้เข้ารูนี้ออกมาน้ำตาไหลอีกแล้วทุกข์อีกแล้วเข้ารูนี้ก็ทุกข์อีกแล้วเข้ารูนี้ก็ทุกข์อีกแล้วเข้ารูนี้ก็ทุกข์อีกแล้วแต่ละรูมันมีแต่ทุกข์ทุกๆุกทุกุก ได้ทำไงอ่ะเรามานี่มาหาอะไรมาเพื่อเดินไปในรูที่เข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าหาไว้ให้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้มันเป็นเอกายมรคคือรูเดียวมันไม่ใช่โน no, รู <laughs> เอกายมรคคือช่องเดียวทางเดียวพระพุทธเจ้าหามาให้แล้วที่เรามากันเนี่ย ตรงตามเป้าหมายของเราเพื่อเข้าสู่ความพ้นทุกทุกคนถ้าเราชัดเจนว่าเราต้องการสู่ความพ้นทุกเป็นเป้าหมายจากนั้นเราก็ต้องศึกษาเส้นทางฟังคาของพระพุทธเจ้าไว้ ในการปฏิบัติเมื่อเรารู้เป้าหมายของเราแล้วเราต้องมาดูอีกตัวหนึ่งนะเราไม่ค่อยได้สังเกตกันอีกตัวหนึ่งคืออุปสรรคของการภาวนานี่จะกระทบมั่งด่ามั่งเราต้องฟังกันแล้วต้องดูอุปสรรคของการภาวนาเมื่อดูเป้าหมายว่าเราต้องการอะไรรู้แล้วมันคือคนทุกข์ต้องทำตามพระเจ้าต้องภาวนาอย่างนี้ใช่หม ข้อที่สองเราจะต้องรู้เลยคืออุปสรรคของการภาวนามีมอะไรมั่งนิวร<ม>์<ม>นะ<ม>เอออันนี้จริงลวกหน้าไปก่อนแล้ว น, นิวร์นิวรนทั้งนั้นแหละแต่ที่ว่าอุปสรรคของการภาวนาคืออะไรที่แท้จริงเลยในชีวิตของเราที่เป็นอุปสรรคของการภาวนาเยอะไหม พระพุทธเจ้าให้เราเตรียมตัวในเรื่องของการเข้าภาวนาเพื่อที่ให้ไปต่อสู้กับอุปสรรคใช่ไหมหนึ่งให้จิตใจนี้ถึงอะไรถึงพระรัตนใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นการถึงที่พึ่งที่ปลอดภัยที่สุด ถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์พระพุทธคืออะไรพระพุทธคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ในทางที่จะทำให้จิตนี้บังเกิดกําลังหอย่างคือความเชื่อความเพียรความระลึกความตั้งมั่นและความรู้เนี่ยมันคืออะไรที่เป็นพุทธะ พุทธะก็คื อ, คอธรรมชาติที่เป็นความตื่นรู้หรือเป็นเป็นธรรมที่มันมีอยู่ที่เราศึกษารู้แล้วที่มันตื่นอยู่ข้างในนี่ที่เรามาเนี่ยนี่เรามาด้วยอานาจของอะไรด้วยอำนาจของความตื่นนะพอเรารู้เป้าหมายที่เรามาเนี่ย เรามาด้วยอำบบนาจของความตื่นความตื่นที่มีอยู่นั่นแหละคือพุทธะแต่ความตื่นรู้ชั้นสูงสุดคือความเป็นพุทธเจ้าพระธรรมคืออะไรฮะมันคืออะไรล่ะ มันก็คือเส้นทางเส้นทางวิธีการเข้าถึงความตื่นรู้ที่ว่านี่คือพระธรรมพระสงฆ์คืออะไ ร, ระฮะพร ะ, พระสงฆ์ก็คือว่าธรรมชาติภายในของเราเนี่ยที่มันดำเดินปฏิบัติตามทาง ตามคำสอนนั้นมันมีอยู่ที่ไหนพุทธพรัตนาทไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่มีความเชื่ออย่างนี้เมื่อใดใไอาการที่เราต้องไปยกมือขอนั่นขอ น, น, ขอนี่ขอนู่นอันนี้ออกนอกพุทธะไหมอ อ, ออกนอกธรรมะไหมอ อ, ออกนอกสังฆะไหมออ ก, ออกถ้าอย่างนี้ ไม่ได้พระเจ้าเลยให้เราเข้าถึงพระรัตนาใจก่อนเมื่อเข้าถึงพระรัตตนาไรแล้วเนี่ยให้สมาทานศีลเห็นไหมให้สมาทานศีลเพราะมันเป็นตัวที่ตีรั้วไว้ไม่ให้เราออกนอกเส้นทางพอศีลเสร็จแล้วให้ทําอะไรภาวนาเห็นไหมทําสมาธิใช่ไหมเพื่อให้มันมีความมั่นคงที่จะดําเนินอยู่ในเส้นทางนี้จนถึงที่สุดของมัน รั้อุปสรรคของการภาวนาของเราหึไม่ชัดเจนในความเชื่อไม่ชัดเจนในศีลไม่ชัดเจนในที่พึ่งไม่ชัดเจนในอะไรสักหาเดียวอย่างเดียวเพราะว่าจะมาปฏิบัติกูจะเอาความสงบกูจะพ้นทุกข์กูจะเอานั่นกูจะเอานี่กูจะต้องทําให้ได้ทําอย่างนั้นกูจะต้องทําอย่างนี้ได้ไหม น, น, น, นื้ออุปสรรคตัวอุปสรรคที่แท้จริงก็คือความเป็นเราและความเป็นของเราตัวเราและของเรานี่คืออุปสรรคทั้งหมดของการภาวนาจิตผู้รู้ทำหน้าที่รู้ลมชนิดที่เป็นโพตพารมคือตัวทลายอะไรทลายเราและของเราให้ขณะจิตที่เป็นปัจจุบันนี่ทรงตัวและเป็นไปโดยความไม่เป็นเรา ต่อเนื่องมันก็จะเกิดความตั้งมั่นที่เป็นกลางเอาฟังให้ดีตรงนี้นะให้จิตผู้รู้เข้าไปรู้โดยความไม่ใช่เราตั้งทรงตัวอยู่ต่อเนื่องจนมันเกิดความตั้งมั่นที่เป็นกลางอันนี้มันจึงจะเข้าถึงธรรมธาตุที่ชื่อว่าพุทธ พุท ธ, ธะนี่มันเป็นชื่อบัญญตัติจะเรียกว่าอะไรก็ได้อมตะก็ได้ธรรมะก็ได้พุท ธ, ธะก็ได้เพราะพุท ธ, ธะมันจะเป็นชื่อตลาดแล้วการเข้าถึงสัจจะสัจจะที่เป็นจริงที่มันมีอยู่นั้นจะต้องเข้าถึงด้วยความตั้งมั่นที่เป็นกลางความตั้งมั่นที่เป็นกลางมันต้องมาจากการรู้ของจิตผู้รู้ ที่ตรงต่อสิ่งที่ถูกรู้โดยไม่ใช่เราเป็นผู้กระทำโดยไม่มีเราเราเป็นผู้กระทำแต่ไม่ใช่มีเราเป็นผู้รู้มีปัญหาไหมฮะน่นนินเนต้องต้อง ต้องถามตอบตนเองสองต้องชัดเจนในเป้าหมายนะว่าเรามีเป้าหมายอะไรเราบอกเขาว่าวันนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมขับรถออกมาจากบ้านพอผ่านมาถึงเจอเพื่อนเก่าไม่เคยเจอกันมาตั้งหลายปีก็ชวนเฮ้ยวะตรงนี้หน่อยอ๋อไปแวะกับเพื่อนเพื่อนชวนกินกาแฟที่ตัวเองชอบไงเพลินพอ น, นั่งสักพักหนึ่ง เพื่อนอีกคนหนึ่งโทรมาเฮ้ยเนี่ยฉันขายเบเกอรี่อยู่ตรงนี้นะฉันทำอย่างนี้โอ้โหน่าจะอร่อยวแวะบานร้านเบเกอรี่ก่อนที่นี่ก็เริ่มเก้าโมงสิบเ็ดโมงแล้วมันยังอยู่เบเกอรี่อยู่เลยอย่างนี้คืออะไรเป้าหมายไม่ชัดเจ <c ười> ชัดเจนไหมไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเมื่อใดมันก็จะ ทำบรนทอนความเชื่อบันทอนความเพียรบรนทอนความระลึกรู้บันทอนความตั้งมั่นและบรรทอนความรู้ลงไปจิตเลยไม่มีกำลังเหมือนกับไม้หลักปักอยู่บนเลนถามตอบได้แล้วเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์แปลว่าเดี๋ยวโลไปทางนั้นเดี๋ยวโลไปทางนี้ เดี่ยวโรไปทางโน้นเดี่ยวโรไปทางนี้นด ไ, นได้ไหมไม่ได้เร <S <S าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทําความเข้าใจชัดเจนด้วยเแบบนี้แหละเราจึงทิ้งผู้ที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้ไไดเลยทิ้งคําสอนของผู้ที่ชื่อพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้เลยแม้แต่กระทั่งว่าการดําเดินชีวิตของเราทิ้งพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้ไ ม, ไไม่ฉะนั้นแล้วมันจะไม่ถึงที่สุดในเป้าหมายของชีวิตที่เราตั้งไว้ อันอุปสรรคในการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะอยู่ที่เราและอยู่ที่ของเราโดยรูปแบบของมันก็คือเรียกว่านิวรนิวรมีกี่อย่างห้าหรือแปด <c oughs> <c oughs> ในความเป็นจริงนิวรมีเท่าไหร่ฮะปัญจนิวรธธรรมมันนันก็เรียกว่าห้านะแต่ว่าจริงๆนิวรณมันเยอะนะ ก็ชีวิตเราเนี่ยที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยแปดสิเปอร์เซนด้วยอำนาจของนิวรณ์หนึ่งกรรมฉันทะคือเคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจของความรักความชอบสองพยาบาทคือเคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจของความเกลียดความชังความโกรธความไม่พอใจสามธีนมิท h a ฮะ ก็เคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจของความเอ่อความง่วงความจึ่งความอะไรอีกความเบื่อความคลานรู้จักคลานไหมรู้จักคลานไหมสนิทเลยเหรอความคลานต่อไปอะไรฟุงฟุงคืออุทจัะกุกุจจะ มันเกิดความฟุ้งสี่ไอ้ห้าคือลังเลสงสัยไม่เข้าท่าสงสัยไปเรื่อยพอพูดพระพุทธเจ้าก็สงสัยอีกตั้งสองพันกว่าปีแล้วมันจะมีจริงหรือใครมาเขียนในยุคนี้แหละเมื่พระพุทธเจ้ามีจริงเลยแล้วก็ไปจับไอ้เรื่องที่สงสัยเนี่ยเอาไปจับที่เขาเขียนมาข้างังหลังๆเหมือนอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นว่าที่พระเจ้า สอนเรื่องอสุภะแล้พระฆ่าตายใช่ไหมฆ่ากันตายฆ่าตัวตายพอมายุคหลังอัตกตกถาท่านก็มาเขียนอันนี้ไม่ได้ไปปรามาตนะนะแต่ว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่พูดอ่ะอะไรที่คนอื่นก็พูดแล้วมันเข้าไม่ได้กับที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะก็ตัดตัดมันไปใชมั้งนะถ้าพูดแล้วเข้ากันได้กับที่พระพุทธเจ้าพูดก็ออกมาแต่ว่าการเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ต้องเอาทำเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาใจกูเป็นที่ตั้ง เขาก็บอกว่าที่พระพุทธเจ้ามาอยู่อย่างนั้นเพราะพวกพระที่ฆ่าตัวตายหมู่กันนั้นน่ะมีกรรมเคยทําร่วมกันมาพระพุทธเจ้าจะต้องไปอยู่รอให้พวกนี้ตายเสียก่อนคือท่านในยุคนัน้นละมันควังแล้วดูดีใช่ไหมอันตรกถาที่เอามาเขียนแบบเนี้ไอ้นี่ออกอากาศก็พูดพูดไปเรื่อยจะได้ดูกันมั่งชอบเขียนแบบเนี้คือให้มัน คือความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจหลักของอริยสัจนะมันไม่มีส่วนใดที่อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้เข้าใจปะมันไม่มีส่วนใดที่จะต้องละเวน้นละเว้นเพื่อการที่จะต้องไปเชื่อแบบหลับหูหลับตาไว้อะไม่มีแต่พอเพราะว่าทำไมเป็นถึงพระพุทธเจ้าไปสอนอย่างนั้นรู้วพระเขาจะต้องมาฆ่าตัวตายกันขนาดนี้ ว่ามันต้องต้องไปหลีกเล่นน่ะซึ่งความเป็นจริงในขณะนั้นอะไรก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่ว่าส่วหลังก็มาอธิบายให้ความรุ่นหลังก็เขียนว่าเพราะว่าพระโลนั้นเมื่อก่อนเนี่ยไปมีกรรมทำกันร่วมกันมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ในที่สุดพอพวกที่พวกที่อยู่นั้น่ะ ที่บรรลุมรรคผลไปแล้วก็มีไม่ใช่ว่าฆ่าตายกันหมดนะฆ่าตายกันหมดนะพวกที่มีพื้น่านรว่าบรรลุมรรคผลไปแล้วก็มีแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่มันต้องตายตายตายตายเพราะว่าเคยทำบาปทำกรรมอะไรกันมามาถึงท่านนี้ก็ต้องชดใช้กันว่ากันไปเรื่อยซึ่งส่วนใหญ่ที่อ่านแล้วก็จะเชื่อเพราะว่ามันอธิบายด้วยเหตุผลแบบนี้มันจบไงมันสิ้นสงสัยใช่ไหมฮะ มันสิ้นตรงไสความจริงมันไม่ต้องไปอธิบายอย่างนั้นมันกล้าไหมละ่ะเหมือนเรารักือศีน่าปานาติป า, าตาสุราเบระยะมาเพื่อนบอกไอ้ทุกปีตัวว่าวันนี้วันเกิดไปฉลองกันหน่อยชิบหายแล้วรับฉีหน้ามาหยกหยกเมื่อเช้าถ้าไปวันเกิดมันวันนี้มันต้องดิงแน่เลยอะ <c oughs> ทําไงดีวะนึกขึ้นได้หอ้พี่ถามเราเออเราไปไม่ได้หรอกเราดื่มไม่ได้หมอห้ามตอนเนี้ยกระเพาะไม่ดี มันยอมยอมรักษาข้อห้าแล้วไปทำลายสินข้อที่ถูกป่ะเหมือนกันเลยทำไมไม่พูดไปตรงๆเพราะว่าเหตุในการที่มันจะต้องตายเพราะมันโถมเข้าไปทั้งตัวโถมตัวรู้ตัวพิจารณานี่เข้าไปตั้งตัวไม่เผื่อพื้นที่ไว้เหมือนกับว่าเราเราจะไปเราจะไปทำความรู้จักเรื่องของน้า แล้วเราดำลงไปในแม่น้ำทั้งตัวดำปุดดำไหว้ดำปุดดำไหว้เพื่อเพื่อจะไปศึกษาปริมาณของน้ำเพื่อรักษาสีของน้ำเพื่อที่จะศึกษาอะไรของน้ำของน้ำของน้ำของน้าในที่สุดแล้วเราไ ง, งไม่จงก็ตายอะ่ะ <c oughs> ไม่ตายก็ค้างเหลืองอะ่ะซึ่งมันต่างกันถ้าเรายืนอยู่ริมตลิง่งแล้วมองเข้าไปในน้าใช่ไหม ก็ทำแบนี้ศึกษาศึกษาเก็บข้อมูลวิเคราะห์วิจัยศึกษาศึกษาวิเคราะห์วิจัยไปไงอ่ะตัวไม่เปียกไม่จมไม่เหนื่อยถูกไหมไม่ติดเชื้อโอ้อีกหลายเรื่องตรงๆงเหตุผลตรงๆมันมีอยู่อ่ะไม่อธิบายไปยกไปเรื่องกวามพบความจัดออกเรื่องเบรเรื่องกรรมไปกันมาแต่คนส่วนใหญ่มันก็เชื่อนะอย่าเนรเทศกันอยู่แต่ว่ามันถือว่ามันจบไปวันดันหนึ่ง แต่มันความสงสัยนี้มันจะให้จบไหมเพราะว่าไอ้คนที่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดชาตินี่ชาติหน้าเนี่ยความเชื่อมันมันบางมากอ่ะมันบางว่าถ้าถ้าพราวันเชื่อเรื่องนี้ร0อยเปอร์เซนจริงรับรองเลยสีลห้าของไัรวันจะต้องบริสุทธิ์ตั้งแต่เช้ายันเย็นอากูสลกรรมมาบททั้งหมดหยุดชะงัก กุศลกรรมบททั้งสิบจะบริสุทธิ์ผุดพองถ้าเราเชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงเชื่อร้อยเอร์เซนะแต่ที่มันไม่เป็นอย่างนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่เรารู้ว่าชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงบุญบาปมีจริงแต่เราก็ยังทําบาปอยู่ดีเราก็ยังใช่ไหมทําไมถึงต้องทําอย่างนั้นเพราะเราความเชื่อเรามันเบาบางไงมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ของพระเจ้าเนี่ยจําไว้เลยของพระเจ้า ไม่มีคำพูดหรือคำสอนใดที่มันมันไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลนี่คือของพระเจ้าไม่มีหรอกแต่การเข้าถึงด้วยเหตุผลนี้มันจะต้องควบคู่กับการปฏิบัติตรงก็ไปในเส้นทางนั้นพระพเจ้ามันท่านบอกว่าท่านเป็นผู้มักขักขายีใช่ไหมผู้ชี้ทางคือท่านท่านเข้าไปในช่องนี้ ที่เข้าถึงความแบบทุกข์เนี่ยเข้าไปอย่างชำนาญเลยนะสอกซ้ายสอกเล็กสอกน้อยท่านเข้าหมดคำสอนของท่านจึงมีแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ดังกล่าวเข้าไปหมดเลยรู้หมดเลยนิสัยจริตจิตใจแบบนี้แล้วเวลาพระพุทธเจ้าพูดกับเทศสอนใครสักคนหนึ่งเนี่ยควังปั๊บรู้เลยเพราะความที่ทรงชำนาญ ทรงชำนาญทุกซอกทุกมุมของเส้นทางจึงรู้หมดเลยไอคนนี้เหมาะกับอย่างนี้ไอคนนี้เหมาะกับอย่างนี้ไอคนนี้เหมาะกับอย่างนี้ไอคนนี้บอกอย่างนี้เหมือนอย่างอัตมาเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยก็ทําหน้าที่เอาคําของพระเจ้าเนี่ยมาขยายอธิบายให้มันหมดเลยมันจะรู้ไปทีเดียวทั้งหมดเป็นไปไม่ได้บางทีมันก็เหมือนกับทอดแหเลยเหวี่ยงก็ไปสุ่มก็ไปก่อนร้อยหนึ่งไอสิบคนหนึ่งได้สัก รอยได้สักห้าคนก็ยังดีถูกไหมใช่ไหมแต่นี้เราเปิดรุ่นใหม่มาหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งได้มาหนึ่งสองฮะรุ่นหนึ่งได้มาสีห้าคนอะรุ่นสองก็ได้มาสี่ห้าคนรุ่นสามนี่เห็นอยู่เก้าได้มาเก้านี่เราเปิดมากี่รุ่นแล้วสามสฮะสี่รครับเอ 4, <5. S 1> เอ ไปรุ่นสุดท้ายนี่ได้รุ่นสี่หร อ, อ, อรุ่นีนี้ได้มาเก้าคือแต่ละรุ่นเพาก็ปฏิบัติปั๊บมีสภาวะไปรรับกับความรู้และรับรองได้เลยมันเดินภาวนาได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เป้าหมายเข้าใจถึงเรื่องของอุปสรรคอุปสรรคเลมันไม่ใช่มีแค่นั้นนะไม่ใช่มีแค่นิวรห่านะมันยังมีอีก อวิชชาคือความไม่รู้อรติคือความไม่ยินดีและอปุศลกรรมทั้งปวงอกุศลทั้งหมดนี้เป็นอกุศลทั้งหมดเป็นอุปสรรคของการภาวนาอาวิชชาที่ว่าไม่รู้นั้นเขาไม่รู้อะไรไหนใครตอบได้มัง้งอวิชชาที่ว่าไม่เอาความไม่รู้ในการที่ไปดุปัจจัต่อการภาวนาคือไม่รู้อะไร ฮะไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเหรอไม่รู้ว่าไม่รู้เหรอเหรอไม่รู้อะไรอ๋อในเมื่อมันไม่รู้แล้วก็แสดงว่ามันไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรในฐานะเราเป็นนักปฏิบัติอาณาคิดว่าเขาไม่รู้อะไร นิมิตตังอัศะปัสสะสาอนารมณะเบกจิตตัสะอาชารณโตตะโยธรรมเบภาวะนูภาวานานูปะลับปติไม่รู้ว่าเนี่เป็นเบื้องตน้นไม่รู้อย่างอื่นด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่านี่เป็นเบื้องตน้นไม่รู้นิมิตว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งไม่รู้ว่าลมหายใจออกมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งไม่รู้ว่าลมหายใจเข้า มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอนนารั ม, มานาเบกจิตัสะว่าทำสามอย่างนี้มันไม่เป็นอารมณ์ของจิตอันเดียวพอเราภาวนาในความเป็นเราเนี่ยในความเป็นเรานิมิตก็ดีลมหายใจก็ดีลมหายใจออกก็ดีลมหายใจเข้าก็ดีทั้งหมดมันคือเราเท่ากับมันเป็นจิตอันเดียวผู้ที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้ มันไม่รู้ว่าทั้งสามอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นอารมณ์ของจิตอันเดียวนิมิตมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของนิมิตลมหายใจออกก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของลมหายใจเข้าทั้งสามอย่างนี้เป็นธรรมชาติแยกออกเป็นของกันและกันไม่ใช่เป็นอารมณ์อันเดียวของจิตต้องรู้ตรงนี้ต้องรู้ต ร, ตรงนี้เป็นเบื้องต้น นี่เรียก ว, ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่รู้รคือว่าไม่รู้ฮ <c oughs> <c oughs> ่อาอารติคือความไม่ยินดีอีกตัวหนึ่งไม่ยินดีอะไร <c oughs> พูดชั้นสั้นควันทงกําปั้นทุกดินเรียกว่าไม่ยินดีในการ ภาวนาคือว่ามันรู้อันนี้ก็ถูกอันนี้ก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้เสร็จแต่มันมีความไม่ยินดีไม่ยินดีภาวนาจะเดินได้ไหมถือว่าเป็นอุปสรรคต่อไปคืออะไรือต่อไปก็คืออกุศลล ะ, ะธรรมอกุศลเป็นอุปสรรคไหมนั่งนั่งภาวนาอยู่โกรธ ภาวนาได้ไห ม, ไมไนั่งนั่งอยู่หมันไส้ได้ไห ม, ไ, ม ไ, ด <laughs> ได้ไหมไม่ได้อกุศลทุกตัวเกิดแล้วเป็นอุปสรรคหมดเลยนั่งๆั่งหมันไส้พระอาจารย์พูดมากจริงเลยหลวงพ่เนี่ยภาวนาได้ไหมอ่ะเอออกุศลทั้งหมดเป็นอุปสรรคของการภาวนา เพราะทุกตัวของอาุโศนเกิดด้วยอำ น, นาจของอวิชชาเหมือนพระไม่ใช่พระสิคาราวะาคนหนึ่งเข้าไปหาพระสารีบุตรแลถามพระสารีบุตรในในธรรมวินัยในคำสอนของพทธเจ้าเนี่ยอะไรที่ว่ายาก ชี้บอกหน่อยพระชายาที่บุตรบอกเลยบวชสิยากพระชายีบุชบบวชมันยากไงพวกเราว่ายากไห ม, มผู้หญิงนี่หมดสิทธิ์เล ย, ยเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ว่าบวชได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยลูกสองภรรยาหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้บวชได้ไหม บีมาป่าวบวชได้ป่าวบีอย่างงี้ป่าบวชได้ไหมไม่ได้หรอกแต่แม่ไม่แน่นะแม่อาจจะยุนะ <c ười> คือมันไม่ง่ายอ่ะเพราะเถาปั๊บประถานประทัยมุนอะไรในธรรมในนี้ที่มันยากบวชไงเฮ้ยสอ็ดโมงแล้วเนี่ยมันเป็นไรล่กพระไม่ได้ฉันเป็น <c ười> ทีนี้เออ ถามต่อแล้วพอบวชแล้วอะอะไรที่มันยากรู้ไหมพระสารีบุตรตอบว่ายัางไงพระพุทธเจ้าตรุษบอกว่าความยินดีทำใจให้มันยินดีกับการบวชของตอนเองอะยากเพราะพอบวชมาแล้วเนี่ยที่อยู่ๆๆๆกันมาเนี่ยถ้าไม่มีสภาวะไปรองรับความรู้ไม่มีการภาวนามไม่มีฉันทจริงๆอยู่ด้วยเหตุผลอย่างอื่น อยู่ด้วยเหตุผลอย่างอื่นโดยเฉพาะที่มากสุดคือหวังไว้ว่าวันหนึ่งจะได้หวังไว้ว่าวันหนึ่งอาจจะได้ชั้นนั้นชั้นนี้คือทำวันๆน่นนะกิจวัตรแต่ละวันให้มันต่อยอดไปเรื่อยๆก่อนอยู่ไปเรื่อยๆก่อนแต่ความยินดีในการบวช มันเกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาบวชใหม่ๆแค่เดือนสองสามวันแรกนี่ตั้งใจมากพอเริ่มห่มจีวรเป็นสวดมนต์เป็นบิณฑบาตได้บิณฑบาตเป็นทำอะไรเป็นแล้ว ม, มันชัดเจนหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรอื่นไปดีกว่าไอตอนเข้ามาใหม่ๆนะเดี๋ยวห่มจีวรเป็นนะโอ้ยบายเลย วันก็โหมเป็นแล้วสวดอ่านอ่านหนังสือไม่ก็ อ, ออกภาษาบาลีจะไม่บวชก็มาใม่ใหม่หัวนี่อ่านหนังสือนี่ออกแล้วผมอยู่ยาววะน่ะเรอ่านออกก็ออกแล้วสวดได้แล้วอะไรได้แล้วแต่ความยินดีไม่เกิดเมื่อความยินดีไม่เกิดในการบวชมันก็ออกนั้นภาษารีบูตจึงต่อบว่าความยินดีในการบวชไงไมยากไอ้คนนั้นไม่ไม่ไ ม, ไม่ถามต่ออีก แล้วความยินดีอะไรที่เป็นเรื่องยากอ่ะอะไรที่เป็นเรื่องยากต่อความยินดีในการบวอะไรล่ะที่มันยากแต่คนที่มันยินดีในการบวชแล้วอะไรล่ะที่มันยากยากของคนที่ยินดีในการบวชความยินดีนั้นอะไรมันยากฮะฮะ เลยนะานยาก อ, อ, าอะไรลหะที่มันยากภาษาธรรบุตรตอบว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิคือการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมแหละมันยากแม้เรายินดีในการบวชแล้วแต่การปฏิบัติธรรมมันสมควรแก่ธรรมนี่มันยากของคนที่ยินดีในการบวชดังคนที่ไม่ยินดีในการบวช แต่ยังบวชอยู่อย่าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ทำแม้แต่คนที่ยินดีในการบวชแล้วเนี่ยยังให้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ทำนี่มันยังยากยังยากเลยพอตอนที่บวชต้งบอกว่ามันยากไอคนนี้เลยถามต่อเมื่อเมื่อคนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแล้วเนี่ย มันใช้เวลานา น, านไหมจึงจะได้สําเร็จภาษาอริบุตรตอบเลยไม่นานนี่ภาษาริบุตรนะสนทนากับชาลิโสนิพราหมณ์พระทีบุตรตอบเลยเมื่อคนที่ยินดีในการบวชแล้วปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ทำบอกได้เลยไม่นานไม่นานเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจําเป็นที่จะต้องปรับ ปรับห้าอย่างที่ว่าน่ความเชื่อความเพียนความระลึกความตั้งมั่นและความรู้ของตัวเองให้มันพอกันให้ความเชื่อกับความรู้ไปไงะให้ความเชื่อกับความรู้เนี่ยมันเออมันสมดุลกันเมื่อความรู้กับความเชื่อสมดุลกันแล้ว ความเพียรมันจะความพยายามของเรานะมันจะตรงต่อความเชื่อและความรู้นั้นความเพียรของเรานะมันจะตรงความเพียรที่มันตรงเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรสติสมาธิและปัญญาเพราะมันมีสติสมาธินี่เดียงดำลำดับของพระเจ้านะว่าสติสมาธิและปัญญาบางครั้งเราเอาอะไร คนที่เอาสติไว้หลังสมาธิไว้หน้าอย่างการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เอาเอาสมาธิมาก่อนเพื่อให้ได้สมาธิเยอะๆสติไว้ทีหลังนี่มันนั้นยากมากยากพระเจ้าเรียงไว้นะสติสมาธิปัญญา สัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาศัทธาวิริยะตอนนี้มันมีแล้วพูดไปแล้วใช่ไหมแต่ตัวสําคัญที่สุดที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนทางใจคือสติสมาธิและปัญญาเห็น ไ, ไหมปัญญาที่มีอยู่ที่เรามีอยู่นี้ยังใช้ไม่ได้นะปัญญานั้นจะต้องมีฐานสติสมาธิรองรับแล้วปัญญานั้นจึงจะเป็นปัญญาพละจึงจะเป็นปัญญากําลังของใจจังเป็นพลาที่ชําแรกขัดเกลา ตัวกิเลสักฟอกจิตได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนมันจึงเป็นเอกายามักเป็นหนทางเดียวเพราะอะไรเพราะมันเป็นเส้นทางที่พัฒนาสติสมาธิและปัญญาให้ขึ้นตั้งต้นตั้งแต่วุฒทิงวิรุนหิงเวปุลัง ว, วิทุทิงแปลว่าอะไรฮะจะเรน วิรุหิงไปว่าหอกงามเวปุลังไปว่าัยบุญตัวสติสมาธิและปัญญาปรับศรัทธาและความเพียรไอความศรัทธาและความรู้ของตนให้มันไล่ระ ด, ดับกันไม่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราศรัทธาพระรัตนตรัยศรัทธาพระเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าที่สุดแล้วศรัทธาพระเจ้ามากแปิ แต่มีความรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าแค่แค่ห้าฉะนั้นมันจึงมีส่วนต่างเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้มันจึงไปกินขี้ใครกันไงมันจึงไปกินขี้ใครไปกินอุจจาระปัสสาวะอาจมอะไรอะไรก็บ้าบอไปในแนวไหนก็ได้เพราะว่ามันเลย มันมีความเชื่อที่ต่างกันอยู่เจ็ดสบห้ามันเยอะมากนะเพราะงัการฟังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญฟังแล้ววิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วทำความรู้จากสิ่งที่ใช่ขึ้นมาให้มันเป็นความรู้เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่ให้เขาโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความเชื่อเนี่ยมันเชื่อต่พึตะือเชื่อไปเรื่อย เชื่อจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็หน้าเชื่อหลังเชื่อกลางเชื่อเชื่อหมด เ, เห็นเหตุนิดเหตุหน่อยก็เชื่อแต่ความรู้ไม่มารรงรับความเชื่อเลยความรู้จิดเดียวความรู้นิดเดียวอา้าวทีนี้ความรู้มากรู้เรื่องพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกอัตถกาาย้อนรอยไปเลยพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยี่บเก้าพระองค์ท่องได้หมดเลย กันังการมาวิโรเบตังการุมาญาทรันังกาโรโลกาหิตติปังโกโรจุตินาโรจาได้หมดพระพุทธเจ้ากี่องค์กี่องค์กี่องค์เรื่องราวของพระพุทธเจ้าเราเคยเกิดเป็นชาดกมากกี่พบกี่ชาติรู้หมดอ้าปากถามแค่เอ่ยชื่อคำเดียวมันตอบได้แล้วรู้ไปไงมาก<า>แต่สีหน้าถือไหม ข้าวัดไปไงอ้าปากก็ด่าแต่พระว่าแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะความเชื่อความรู้มันไปแปสิบแล้วความเชื่อเหลือแค่สามจึงเกิดส่วนต่างตรงนี้ไปไงฮะมากมันเลยเอาความรู้ที่มีมาเป็นกระบี่เป็นหอกเป็นดาบไปฟาดฟันไล่บี้ผู้อื่น โดยที่ในที่สุดแม้กระทั่งหันมาทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นความรู้กับความเชื่อเป็นไงจมต้องฮะเสมอกันเหมือนสามีภรรยาเขาบอกสมรถรถหนึ่งคือศรัทธารถรถของความเชื่อต้องเป็นไงต้องใกล้เคียงกันนะเออไอคนหนึ่งบอก ตัวตอนี่มันต่อยเจ็บอีกคนหนึ่งบอกตัวต่อมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่เราจะต้องจุดธูปไหวบูชาเพื่อที่จะได้หวยได้อะไรขึ้นมาจะตีกันตายไหมเนี่ยไม่เสมอกันแล้วใช่ไหมไอ้คนหนึ่งจุดธูปไหวบูชาแต่ไอีคนหนึ่งก็จะจุดควายเพื่อที่จะไปร่มไล่มัน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ได้เรื่องนี้เราจะต้องปรับสองอย่างนี้รปรับเรื่องของความเชื่อเรื่องของความรู้ความรู้ก็ต้องฟังบ่อยๆ ฟังบ่อยๆแล้วก็ปรับความเชื่อกับความรู้ให้เขาได้กันความเพียรที่เรามีอยู่มันจึงปฏิบัติตรงต่อความรู้ที่มีผลมันก็เลยเกิดเกิดเป็นสติสมาธิและก็ปัญญาเป็นลำดับไปวันนี้พูดมากแม่สิเว็โมงกว่าเออเหมือนไม่ได้พูดมานานทั้งๆ้งที่พูดทุกวัน ไม่หลพวกเรานี่มันพวกนักปฏิบัติแล้วไงได้แล้วแต่ว่าจะต้องพูดให้ฟังเรื่องเหล่านี้ไม่งั้นมันไม่มีความมั่นคงนะถ้าไม่มั่นคงแล้วมันจะเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าไอ้นี่แค่สองอย่างอนี่ที่จะพูดเนี่ยคือว่าเป้าหมายกับอุปสรรคนี่เรื่องอื่นยังเรื่องเสริมเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยนะ <c oughs> อ้าวข้าวถูกภาวนาแล้วพอรมควรแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้า ปรับตรงนี้ให้มันมีให้จิตผู้รู้เขาสปายะรู้ที่หน้าคลอไปทั้งหน้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนให้ตัวรู้รู้คลออยู่บริเวณใบหน้าของตัวเราเหมือนกับเหมือนกับซองกระจกเพื่อหาสิวเสียนอย่างนั้น แต่เราไม่ได้หาเราแค่รู้มันได้แล้วก็น้อมน้อมโน้มโน้มรู้ช้าชาเข้าไปที่ช่องจมูกรู้จักบริเวณที่ชื่อว่า น, นิมิตเอาจิตผู้รู้วางไว้ตรงบริเวณ นิมิตในเรียกว่าเป็นนิมิตโซนเขาจะเขาจะทรงตัวอยู่บริเวณที่ช่องจมูกตั้งแต่เนื้อริมฝีปากแล้วก็จนถึงช่องจมูกโซนนั้นเรียกว่านิมิตโซนวางจิตผู้รู้ไว้เพื่อที่จะคอยรู้ลมที่เป็นโผฏฐาลลมคือที่กระทบกับกายประสาทบริเวณนิมิตนั้น หายใจเข้าให้สุดยาวๆหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่ารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกที่เป็นโพถัพพารณมและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมจิตผู้รู้ที่ทาหน้าที่รู้ลมที่เป็นโผถัพพารณมที่คลูดออกคือไม่วิ่งตามลม ไม่กวัดแกวงไปกับลมข้างในไม่กัดแกว่งไปกับลมข้างนอกถ้ามันมีการกวัดแกว่งในขณะที่รู้ลมที่เป็นผัวตับพารมตัวผู้รู้แกงไปที่ท้องมั่งแกว่งไปที่อกมั่งแกงไปที่กระมอมมั่งก็ให้รู้ว่านั่นคือความกวัดแกงของจิตนะนั่นคือความกวัดแกว่งของจิตผู้รู้ มันตกอยู่ข้างวายความฟุ้งซ่านแค่รู้อย่างนี้แหละไม่ต้องไปทําอะไรอื่นแค่หันมาทํากิจเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หันมาทํากิจของตัวเองรู้ลมไหลออกที่เป็นโพล่ับพารมตู้รู้ลมเข้าที่เป็นโพล่ตับพารมปูลมออกก็รู้ ลมข้าวก็รู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปมีอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่านี่เป็นอุปสรรคเป็นอันตรายต่อสมาธิพอรู้ทันปั๊บก็หันไปทำกิจทุกครั้งที่พอรู้ทันต่ออุปสรรคต่อนิวรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆุกสภาวะที่เกิดขึ้น พอรู้เท่านั้นแค่รู้แล้วก็หันไปทำกิจพอรู้แล้วหันไปทากิจตัวที่เราปรารบคือเริ่มเริ่มเริ่มหันไปทำกิจ ด, ด้วยการรู้ลมที่เป็นโผตปาลมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สะสมความเพียรทำให้ความเพียรแน่แน่ขึ้นมีกําลังขึ้นและเป็นที่ประชุมของฉันทะในอนาคตต่อไป เราอาจจะมีการกำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าแต่เราไม่ใส่ใจในความกำหนดนะทั้งหมดจะดอ้อมใส่ใจลงไปที่ลมที่เป็นโผฏฐาพลมลมที่กระทบและการใส่ใจนั้นมันก็แค่รู้นะลมหายใจออกก็รู้ลมเข้าก็รู้ แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องท่องว่าลมออกหรือลมเข้าปล่อยผ่านไปรู้ลมที่ไหลออกรู้ลมที่ไหลเข้านี่มันเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ตัวรู้ก็ทำหน้าที่แค่รู้ลมที่กระทบแต่เวลาเราพูดออกมาเป็นภาษาเนี่ยมันก็พูดว่าลมออกกระทบก็รู้ ลมเข้ากระทบก็รู้อย่างพูดเป็นภาษาเพื่อความเข้าใจแต่ในทางปฏิบัติมันก็คือรู้ลมที่กระทบนั่นแหละทั้งออกทั้งเข้าลมไหนกระทบก็รู้ลมนั้นลมไหนกระทบก็รู้ลมนั้นรู้ลมที่กระทบนั่นแหละไปตามความเป็นจริงผู้รู้จะนิ่งรู้อยู่ที่บริเวณนิมิตอาการของรู้ที่ไปทาหน้าที่รู้ต่อลมที่กระทบ ลักษณะเหมือนการยืนอยู่ที่ชายฝั่งแล้วก็มองน้ำที่ไหลในลำธาร น, นิ่งๆหน้าไม่แวกไปแวกมาไม่สะบัดไปสะบัดมาตัวรู้นี้ก็เหมือนกันรู้ลมที่เขากระทบความรู้อยู่ตรงนั้นนิ่งๆแต่ไม่ใช่รู้ทั้งหมดโถมไปที่การกระทบ รู้ตรงนั้นจะต้องเป็นรู้ที่เบาๆตามกำลังของสิ่งที่กระทบกระทบแรงก็รู้ว่าแรงกระทบเบาก็รู้ว่าเบาความเป็นจริงของลมก็จะค่อยๆปรากฏกายของเราก็จะนิ่งขึ้นสงบขึ้นเมื่อกายนิ่งขึ้นสงบขึ้นลมก็จะปราณีตขึ้นทันทีที่ตัวรู้อยู่กับลมหายใจที่กระทบได้ได้ อ, อกรู้ ไหลเข้ารู้มันก็เกิดความสันโตคือความสกปขึ้นมาทันทีแล้วจะละเอียดขึ้นเรียกว่าปณนีโตแล้วก็จะเยือกเย็นเยือกเย็นเย็นไปตั้งแต่โรงจมูกเย็นลงไปเย็นขึ้นไปเย็นกระจายไป ลมออกรู้ลมเข้ารู้ ขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายไปวางไว้ยกมือขวาไปวางไว้ที่ข้อขวาขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายไปวางไว้ที่ข้อซ้ายแล้วก็ผะหุกยกจิตกลับมารู้บอิใบหน้าผะหุกหน้านิดหนึ่งแล้ลืมตาอกอกจากสมาธิเป็นบรลังเล็กๆน้อยๆ น, นะเช้าก็ามาเอาหนักๆตอนบ่าย ชนกับทีนามิตะห้กระเจิดกระเจิงกันไปเลยบ่ายนี้ไม่มีการเดินวางอะไรก็นั่งอย่างเดียวเลยเตรียมใจไว้อย่าไปกินเยอะไปกินเยอะเอมีเรื่องแน่มันเตรียมเตรียมได้นานอยู่อ๋อกราบพระ